มนุษย์เราเนี่ยเราเดินทางของชีวิตเราเนี่ยนันเรียกกันว่าสิ่งที่พาเราเดินทางเนี่ยเรียกว่าศรัทธาศรัทธาคืออะไรคะนี่นะคะศรัทธาในพุทธศาสนาแปลว่าความมั่นใจมั่นใจในสิ่งสิ่งนั้นเช่นศรัทธาในพระพุทธไตรศรัทธาในเพื่อน หรือศรัทธาว่ามเมื่อพายุผ่านพ้นไปนะทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติหรือศรัทธาว่าเมื่อกลางคืนเมื่อถึงที่สุด ข, ของกลางคืนก็จะมีมรุ่นอาลงอรุณรุ่งศรัทธาทั้ให้เราพร้อมที่จะประจนหรือรเผชิญกับ อุปสรร์ทั้งหลายที่เหมือนกับพายุเพราะเรารู้ว่าในสุดพายุก็สงบแล้วฟ้าก็จะใสแล้วแล้วศรัทธามันเปลี่ยนได้เมื่อยังไงคะเพราะศรัทธามีหลายแบบนะเพราะว่าศรัทธาที่ศรัทธาที่ ที่เป็นความมั่นใจก็ก็มีที่ประกอบไปด้วยปัญญาก็มีศรัทธาที่งมงายก็มีใช่ไหมเหมือนกับศรัทธาว่าสักวันหนึ่งโลกมันจะแบนงงมงายสมิสชาเกิดขึ้นได้ไงฮะให้เกิดขึ้นได้ยังไงอ๋อก็เกิด สมมติศรัทธาน ใ, นในพระตนตรยัยศรัทธานในครูบาอาจารย์ศรัทธานในความดีงามเนี่ยส่วนนั้นก็เกิดจากการไ ด, ได้ได้ฟังตนเห็นคุณเห็นประโยชน์หรือว่าเกิดจากการที่เราได้มีประสบการณ์เช่นเมื่อเราได้เกิดเรามีเกิดมีศรัทธานในพระตนตรัยแล้วมันทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะทําความดีตั้งมั่นในคำ แล้วทำให้เราผ่านความอุปรสรรคได้เราก็เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความมั่นใจที่เกิดจากการที่ได้ประสบด้วยตัวเองถึงประโยชน์ถึงคุณของมันใ่ไหมก็หมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเรียนรู้เรื่องตัวเนี้ยแล้วผู้คนก็เริ่มพบอะไรบางอย่างแล้วเก็อยากที่จะตั้งใจเดินนั่นหมายถึงว่าเขาต้องศรัทธาในเส้นทางที่เขาเดินด้วย ต้องมีความศรัทธาหรือ เ, เชื่อมั่นในจุดหมายก่อนว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็แล้วก็มั่นใจในเส้นทางเนี้ยว่ามันจะพาไปถึงจุดหมายศรัทธาเป็นเรื่องความมั่นใจด้วยนะซึ่งเรามั่นใจเพเราะอะไรเพราะว่าเรามีแผนที่เพมีคนบอกเรามีคนที่เคยไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วบอกเราว่าเนี่ใช่แม่ ใช่ไถ้าเกิดว่าเราเดินเดินขึ้นเขาแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราก็ไม่มีแผนที่แล้วเราก็ไม่ไม่มีใครที่เคยถึงจุดหมา ย, ยมาบอกเราว่าเนี่ยไ้เซนเนี่ยไปถึงเราก็จะเริ่มลังเลยสงสัยหลังจากที่เราเดินไปสักพักแล้วก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางสักทีอันนี้ก็เรียกว่าเกิดความย่อมเกิดวิ ต, วติวิติกิจฉาเกิดความมางเลยสงสัย ขนาดแค่นั่งมันถึงผู้คนแล้วว่าบางทีผู้คนทำไมพอคนเรียนแล้วมันสามารถเหมือนลุกขึ้นมาแล้วพยายามทําอะไรบางอย่างแต่ทาไมพอคนเรียนรู้แล้วมันก็ปล่อยมันมันก็มีภาวะที่แบบเหมือนว่าเหมือนจะรู้สึกว่ามันยากอย่างเงี้ยยากไม่เอาดีกว่าพอแล้วหรื่อะเงี้ย ก็เลยพยายามค้นหาว่าอะไรกันแน่ที่พาให้เราเดินทางอย่างตัง้งใจในเส้นทางนี้่หลายคนก็พูดว่านั่นคือศรถถัทธาแต่นะก็เพิ่มได้เห็นความชัดเจนว่าเออศรัทธาคือความมั่นใจมั่นใจว่าอันนี้คือทางที่ดีแน่ๆ แ, และมั่นใจว่าคือเราลังเมื่อตอนบ่ายเนี่ยนะเราพูดถึงฮีโร่ฮีโร่เนี่ยก็คือฟังด้านที่เราศรถถาัทธานะ แต่เราพยายามที่จะรูกผู้คนว่าเขาควรที่จะศรัทธาว่าเขามีสิ่งเนี้ยในตัวเองและเขาเป็นสิ่งนี้แหละให้เขาเชื่อในตัวเองนะที่ที่จะเป็นฮีโร่คนนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าตัวดีเราใชา่แต่ว่าเราไม่สามารถเดินไปเพื่อเป็นคนนั้นได้พยายามที่จะเป็นคนนั้นได้ไมันก็เลยสงสัยว่าอะไรแน่นที่ทําให้เรา เราต้องศรัทธาตัวเองจริงๆต้องว่เกิดมีความศรัทธาในในสเยภาพที่ในตัวเราสเภาพคือว่าความสามารถที่ยังยังไม่ได้ไม่ได้พันาออกมามใช่ไหมตอนนี้ถ้าเรามีความศรัทธาตรงนี้เกิดเกิดขึ้นได้มันก็ ก็เพราะว่าจากการที่เราได้ได้ผ่านประสบการณ์บางอย่างแล้วเราเพบว่าเราทําได้ใช่ไห ม, อมพอเราเพบว่าเราทําได้เนี่ยอาจจะเป็นเป็นเรื่องเป็นความสำเร็จเล็กๆในๆน้อยที่เราไม่คชืว่าเราทําไดเ้เสร็จแล้วเราทําได้ขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งทาให้เราเกิดความมั่นใจว่าเนี่ยเรามีศักยภาพพอที่จะทําในสิ่งที่ยากกว่า น, นั้นได้ในศักยภาพส่วนหนึ่งเนี่ยศักยภาพไอ้ความศรัทธาในตัวเองเนี่ย นะมันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ได้ประสบความสำเร็จที่มันยืนยันว่าเราทำได้แต่ว่าใหม่ๆเนี่ยนะมันต้องอาศัยแรงอาศัายใหม่ๆอต้องอาศัยศรัทธาทีกคนอื่นให้กับมีต่อเราใช่ถ้าคนเราเนี่ยคนทั่วไปเนี่ย นะเท่ากับว่าเราเราเท่ากับว่าเรามีความคิดแบบหนึ่งนะเช่นเราบอกว่าภาพเนี่ยสวยแต่คนในห้องเนี่ยบอกภาพนี่ไม่สวยเราเขยทันทีเลยใ ช, ใช่ไหมไม่ต้องภาพเรื่องความสวยกลไดเอาเอาแค่ว่าค้อเท็จจริงบางอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยมีกี่รัฐนะ เราเนี่ยห้าสิบรัฐยุทธิยาแล้วเรามั่นใจในห้าสิบรันะแต่คนในห้องบอกเฮ้ยไม่ใช่สี่สิบเก้าหรือไม่ก็ห้าเลยเข้เลยเราเริ่มไม่แน่ใจว่าไอ้เรารู้ถูกป่าอันนี้คือธรรมชาติคนนะอคือถ้าเกิดว่าคนในห้องเนี่ยนะอันนี้เขาทดลองมาหลายหลายหลา ย, หลายเที่ยวหลายรัฐแล้วเราเชื่ออย่างเนี้ยเราเรามั่นใจในแต่พอคนอื่นเนี่ย แล้วนะเขาเห็นอีกตรงเห็นตรงข้าม น, นะเราเขว้เราเช่างไม่มั่นใจนะ้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเ ก, กิดว่าเราสมมติเราคิดว่าเราเราเร า, เราคิดว่าเราเป็นคนเก่งหรือว่าเราเป็นคนหล่อเราเป็นคนสวยนะแต่ทั้งห้องจะบอกว่าหรือไม่เก่งหรือไม่หล่อไม่สวยนะเราเขว้เลยนะนะนะว่าเนี่ยแต่ตรงข้ามถือว่าเราสมมติเราแย่เราไม่มีความสามารถเราขี้เละแต่คนในห้องบอกว่าเนี่ยเธอ นะเธอเป็นคนเก่งมีความสามารถเธอทําได้เธอสอเธอสวยเนี่ยศรัทธาในตัวเมึงเริ่มเกิดขึ้นเลยมันมีเรื่องเล่านะว่ามีคือจะมาไปไปไต้หวนันมาก็ไปไปไปดูงานที่หองของชือจี้เนี่ยนะรู้จักชือจี้ไห ม, มไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าเขามีโรงเรียนโร <c oughs> งเรียน <c oughs> เป็นโรงเรียนที่ที่ดีมากเลยนะสามารถทําให้คนเนี่ยนะ ไม่เด็กเนี่ยเป็นเด็กดีเก่งเก่งดีมีสุขแล้วก็มีเรื่องเล่านะมีเรื่องเล่าเด็กประมาณสัากกลายเก้าขวามเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาไหนเลยไม่เอาไหนนั่นหมายว่าไม่เอาอะไรเลยนะวิชาอะไรก็วิชาอะไรก็ไม่เอานะครูให้ทำกันบ้านก็ไม่ทำใช่ไหมเราเด็กเนี่ยไม่มีความมั่นใจใช่ไหม เป็นที่ระอา่านของครูมากจนกระทั่งมาถึงวิชาศิลปะครูก็ให้วาดรูปเนี่ยเด็กก็ไม่เอาที่แรกเนี่ย่ครๆคิดว่้เด็กเนี่ยมันขี้เกียจนะแต่ครูคนนี้เนี่ยรู้เลยว่าเด็กคนนี้ที่ไม่เอาไม่ร่วมมือเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มั่นใจเขาคิดว่าเขาไม่มีความสามารถทําอะไรก็ไม่สําเร็จครูก็พยายามกระตุน้นวันนี้เธอลองลองวาดรูปดูสิเธอลองพูดกกันเนยเธอลองตวาดดูสิใช่ไหม เด็กก็ไม่เอาไม่สวยหรอกครูผมหนูทําไม่ได er. ้แต <fantastic> ่ครูก็ขยันขยอยพอเด็กตวัดครูก็ชมว่าสวยนะมันมีพลังนะเด็กก็ไม่เชื่อแต่ว่ากลับไปบ้านตวัดอยู่นะแล้วบอกว่าในส่วนนี้เด็กคนนี้ก็สามารถจะสามารถจะเอาดีได้ในใน ในวิชาเนี่ยศิลปะจกนกระทั่งมีผลงานนะแล้วครูเนี่ยก็เอาไปเอาไปโชว์โชว์ในเท ศ, ศากาลศิลปะเนี่ยเด็กคนนี้ก็ประมาณเก้าขวใช่ไหมก็มันก็มีเด็กประมาณห้ากขวบเนี่ยมามาม า, ม า, ม, ามาชมภาพเนี่ยแล้วก็บอกโอ้ภาพที่สวยนะโอ้เด็กก็ปลื้มนะเด็กเด็กที่เป็นเจ้าของภาพก็ปลืม้ม แต่ว่าไอเด็กตัวเล็กเนี่ยสักคราก็บอกว่าผมว่าไม่ได้แบบนี้หรอกไอเด็กเก้าขวบบอกว่าเธอวาดได้นะให้ลองดูเธอวาดได้นะคือเด็กคนนี้เนี่ยเด็กเก้าขวบมันเปลี่ยนเลยนะจากการที่คนที่ไม่มีความมั่นใจตัวเองเนี่ยแต่หลังจากที่ครูเนี่ยนะครูแค่คนเดียวนะที่ที่ที่ให้ความมั่นใจกับตัวเด็ก ด้วยการชมนะและสิ่งที่ครูชมเนี่ยมันก็ไม่ได้โกหกหลอกลวงนะเขาก็ชมด้วยความจริงใจเพราะว่าคือเด็กเนี่ยมันวาดยังไงเนี่ยนะสักซักยี่สิบภาพมันต้องมีสักภาพที่มันดีนะก็ชมตรงนั้นและใช่ไหมคือเรื่องนี้เนี่ยเด็กเนี่ยเขามั่นใจตัวเองได้เนี่ยเขามีศรัทธาตัวเองเพราะว่าเริ่มจากการที่มีคนศรัทธาในตัวเขาซึ่งอาจจะ เป็นแค่คนคนเดียวแต่ว่ามันเปลี่ยนเขาได้อนนี้เด็กคนนี้ที่ไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเจอครูเจอคนที่ที่ที่วิชาณวิชารณตัวเด็กก็ทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถไม่มีทําให้เด็กไม่มีเรื่องไม่มีแรงแต่ว่าอาการแบบนี้มันก็รักษาให้หายได้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีคนที่ให้กําลังใจเขา หรือคนที่ศรัทธาตัวเขาเราจะพบว่าเด็กเหลือขอหลายคนเนี่ยนะเด็กเลือขอที่มันไม่เอาไหนเลยแล้ว ก, ก็กลัวนาราวาสนะเด็กเกเรในโรงเรียนนะมันเปลี่ยนได้เนี่ยก <c oughs> ครูคนหนึ่งใช่ไหม <c oughs> แล้วครูนั้นเนี่ยเป็นครูที่ศรัทธาว่าไอ้เด็กคนเนี้มันมันมีดีใช่ไหม <c oughs> แล้วก็พยายามทรด ก, กับเด็กเ่า <c oughs> เด็กเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ เป็นคนดีให้ความไว้วางใจในตัวเด็กเด็กก็จะเริ่มรู้สึกเริ่มสว่มั่นใจตัวเองอันนี้ธรรมดาคนเป็นอย่างนี้นะ<ม>คือหนึ<ม>่งต้องเริ่มต้นจากการที่มีคน ค, นคนรอบตัวเนี่ยให้กําลังใจ<ม>หรือมีศรัทธานะ<ม>แล้วศรัทธาในตัวแล้วเตัวเองเนี่ยเริ่มมีเขาเริ่ม empower เนี่ยถูกถูก empower แล้วถือว่าถูกเพิ่มปูนพลังเนี่ยเขาก็จะเริ่มทําอะไรเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆแล ะ, ะความสุขมันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความมั่นใจตัวเองสิ่งที่น่าแปลก็คือว่าศรัทธาบางอย่างเนี่ยศรัทธาที่คนอื่นให้กับเราเนี่ยบางทีมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ไไดแสดงออกมาชัดเจนแต่ว่ามันออกมาจากการกระทําซึ่งอาจจะมาจากคําพูดโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวเจ้ตัวมันก็ว่าคนที่ศรัทธานี่ยนะ เขาเคยมีการทดลองนะอันนี้ทําในกองทัพอิสราเอลเนี่ยเอากลุ่มมาเอากลุ่มเอากลุ่มทหารฝึกขันเนี่ยนะมีสามกลุ่มนะมาเลือกนะแบ่งให้แยกออกเป็นสามกลุ่มแล้วก็บอกครูฝึกว่าไอ้กลุ่มเนี่ยนะกลุ่มแรกเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ฉลาดนะผลงานดีกลุ่มที่สองเนี่ยปานกลางกลุ่มที่สามเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะ แล้วก็ให้ข้อมูลข้างนี้ไปให้ครูฝึกนะแล้วหลังจากที่ฝึกไปสามเดือนคะแนนที่ออกมาเนี่ยไอ้กลุ่มแรกเนี่ยคะแนนดีไอ้กลุ่มที่สองเนี่ยก็ปานกลางกลุ่มที่สามคะแนนบวยแต่สิ่งที่ครูฝึกไม่รู้เลยว่าไม่รู้เลยคือว่าที่ที่เขาให้คะแนนไอ้กลุ่มนี้ดีเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรเลยเขาแค่พูดเฉยเฉยไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยเพียงแต่บอกว่าไอ้กลุ่มเนี้ มันเป็นกลุ่มที่มีความสามารถคือเขาต้องกาทรทดลองเลยว่าถ้าหากครูฝึกเนี่ยมีความรับรู้ว่าไอ้คนนี้เนี่ยเออเก่งไอ้นี่ไม่เก่งนะสัมพ์เฮายังไงก็ไม่รู้ว่ามันทําให้ผลลัพธ์เนี่ยดีเพราะหวายเป็นไปได้ว่าพอครูฝึกเนี่ยพอรู้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดีเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มที่ใส่ใจหรือกลุ่มที่ทําคะแนนดีก็จะให้ความเคารพให้ความศรัทธาไอ้กลุ่มนี้ส่วนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่ง ได้รับมอบได้รับข้อมูลว่ากลุ่มนี้มันไม่คะแนนทำคะแนนไม่ได้เรื่องเลยไ ม, ม่ค่อยสนใจเนี่ยเขาก็จะมีอัจฉริยะดูถูกเกรกลัวโดยไม่รู้ตัวไม่มีความเชื่อมัน่นก็จะทชิดกลุ่ม น, นี้เนี่ยแตกต่างจากกลุ่มแรกและการถูกการเชิดการปฏิบัติที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็มีผลต่อความรู้สึกของของของพลทหารด้วยว่าพอครูฝึกเขาปฏิบัติกับเราด้วยความศรัทธาด้วยความสุดสดีผู้จาดีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเกิดความมั่นใจตัวเอง แล้วก็อยากมันก็มไปกระตุ้นพลังใีในตัวเราที่อยากจะทําดีขยนันมันก็เลยออกมาดีไงเ<ม>พราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทดสอบว่าคนเราเนี่ยมันจะจะทําดีหรือไม่เนี่ยนะส่วนนึงมันอยู่ที่ว่าสายตาคนอื่นเนี่ยเขามองเราอย่างไรเขาปฏิบัติกับเราอย่างไรโดยที่คนที่คนที่เขาปฏิบัติกับเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลยว่าเนี่ยเออเธอเก่งเธอดีนะแต่ว่าไอการกระทําเนี่ยของเขาเนี่ยซึ่งออกมาจากซึ่งออกมาจากข้อมูลบางอย่างซึ่งจริงมันไม่มีไม่มีไม่มี เหตุผลรองรับเลยเนะี่ยมันมีผลต่อพฤติกรรมต่อความสามารถของคนที่ถูกกระทําด้วยเช่นคนทหารหรือนักเรียนจริงๆนะทดลองแบบนี้มันมันมีเกิดขึ้นในโลกที่คลายกันด้วยนะคะคือเอาเด็กเรียนเก่งสุดเไปอยู่ห้องรวยสุดแล้วก็เอาเด็กรวยสุดมังไปอยู่ห้องเก่งสุดแล้วครูโดยทั่วไปพอเมื่อเข้ามาก็จะมีความรู้สึกว่าห้อง ห้องหนึ่งเนี่ยคือห้องอะไรคะเก่งสุดแล้วรูบอกว่าวิธีการที่ครูทํากับเด็กห้องหนึ่งก็ทําให้เด็กห่วยสุดการเป็นเด็กที่เก่งขึ้นมาได้และวิธีที่ครูปฏิบัติต่อเด็กห้องท้ายสุดเนี่ยซึ่งจริงๆมันเคยเก่งสุดเนี่ยกลารเเด็กที่ห่วยลงได้นั่นแสดงว่าเมื่อเมื่อตอนบังจบกันด้วยคําว่าการสร้างผลบ้า นั่นคือผู้สร้างผลลัพธ์รู้ว่าจะ ม, มีมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่เรารู้สึกไม่ดีหรือเอกเป็นว่าเราไปได้ยินคนคนหนึ่งพูดว่าเขาไม่ดีประเด็นก็คือพอมีคนพูดว่าคนคนนั้นไม่ดีอะเรามักจะทำยังไงคะ เ, อ, เอะนะคะ เราเชื่อเรากินเราก <more later. S 1> ็สมลงด้วยป่ะใช่แล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นเช่นื้อจริงๆเพราะเราเป็นหนึ่งในการสร้างของเราแต่ถ้าลองสิถ้าลองถือว่าถ้าสมมติวมีคนหนึ่งที่มีคนหนึ่งมาบอกว่าให้เนี่ยมันไม่ดีและท่านเท่าทันอ่ะแล้วท่านก็รู้แล้วว่าให้เนี่ยมันชอบไหมเนี่ยแล้วท่านเปลี่ยน เรียนในการที่วันหนึ่งก็ไปฝ้องหาข้อดีของคนเนี้ยแล้วก็กลับมาเล่าของว่าเฮ้ยไอ้นันนี้มันดีมันดีมันดีเงี้ยเพราะว่าเราเปลี่ยนเขาได้นะคะถ้าเราสร้างศรัทธาที่ดีแต่เมื่อกี้ที่นาถามถึงเรื่องศรัทธาเนี่ยในมีเรื่องหนึ่งนะที่นามาที่นี่หลายครั้งแล้วมันก็คลา่งานใจมากแล้วมันก็เข้าคิดนะว่านายคนจะช่วยเหลือยังไง แต่เรายังคิดไม่ออกหรอกเพาะเรไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นเรายัไม่แน่ใจหรอกแต่เรนเชื่อว่าคำถามของผู้ท่านเนี่ยอาจจะช่วยนำทางให้เกิดความเข้าใจในเวลาเป็นห่วงเรื่องคุณภาพ TQM TQM Total Quality Management เพราะทุกครั้งเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพ TQM ในแบบที่รูปแบบที่ว่าท่านเหนื่อยกันมาก แต่ว่าในการรับรู้ของนานั้นระู้สึกว่า p q m ก็เป็นด้านหนึ่งที่ดีมากๆที่เดี๋ยว่าไม่รู้ว่าตดอะนะจในกระบวนการรับรู้ของท่านเนะี่ยซึ่งนาะก็ไม่รู้เพรานะราไม่ไดเป็นผู้ชีวยวชาญแตนะ่ใะอยากช่วยใหญ่ๆท่านได้เห็นบางอย่างว่าถ้าเราเห็น TQM ในรูปแบบหนึ่งเนี่ยเพราะว่าท่านอะเวลาท่านพูดถึง p q m ท่านก็อาจจะเอาไม่ละ เราไม่รู้นะเวลาพูดถึงแล้วพูดบอกว่ามันเหนื่อยมันไม่ไหวไอ้คนที่เหนื่อยแล้วไหวมันจะเริ่มรู้สึกไงคะรู้สึกว่าชัดเจนเหยเหมือนกันแล้วมันก็มันก็กลายเป็นความไม่ไหวจริงว่าสามปีเลยวที่นานได้ยินคำเนี้ยนะได้ยินความเหนืของไม่ไหวทุีเดิมวก็คือน้องมีบางอย่างที่เกิดการบุดเบี้เพราะว่า ในสารทุกศาร์ัมีคุณประโยชน์แต่บางทีเวลาที่เราไปอยู่กับด้านที่เป็นลบเนี่ยมันดึงกันด้เลยอยากชวนท่านถามท่านขาดศรัทธาอะไรในที่คเองด้วยเยอยากชวนคุยจริงๆนะน้ไม่รู้นะก็นะ้าก็แค่ว่าตอนที่นำมาเนี่ยนาะก็คิดว่าการท่ท่านชนหาว่าท่านเป็นใครเนี่ยมีความหมายพอวออออันั่งฟังก็รู้ว่าเราอยาก่องเนี่ยแต่สิ่งที่เรามีมีความรู้สึก มากที่สุดนะทุกครั้งที่ทางานขบงนี่ก็คือการที่เมื่อคนติดอุปสรรคอะไรเนี่ยแล้วสมองขพี่จะอบได้ด้ว <c oughs> อย่างท่านถามวันนี้ท่านก็คงรู้สึกอึดอนมือกันวนะ่าแล้วทาไมนางไม่ทาอะไรอย่างที่นา ย, ยาทำแต่จริงๆนาะจะติดตร ง, งที่ว่าอยากท่าได้มากๆต า, างบายเนเราทกวนการบางยางนะ่เกี่ยวกับความศรัทธาเกี่ยวกับฮีโร่ท่านเห็น การสื่อสารของมันแต่เราก็อยากท่านทางานบางอย่างในด้านที่ท่านต้องทจริงอ่ะที่เรียกว่า TQM อยากจะถามได้ไหมคะหรือวราถที่ต่อได้พี่บอกมันคืออาเชิญค่ะคุณเวนก็ไม่เป็นไ้ที่จไม่กี่ปีละสามปีก็พอดีว่าตออเนื่องจากเมื่อกี้นะครับที่เป็นเพจที่รู เขาลองไปทนพีเด็กในแบบที่ต่างๆนั้นผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าผมจะเอาตัวผมจะไม่บอกว่าเป็น v m แต่ผมจะบอกว่ามั น, นอย่างนี้อย่างนี้คุณจะถามอยูแ่แล้วแล้วก็ดีคุณหนาก็ขึ้นมาเล่นติดอยู่เองผมก็เลยถือโอกาสลองถามเลยก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับ TVM นะครับแต่ก็คือประมาณว่าในใจผมที่คิดเมื่กีว่าจะถามนะก็คือจากคําถามที่ว่าเขาจะมีฟีดว่ามันจะเลิมจากบุคคลรอบข้างที่อาจจะ ทำให้เรามีศรัทธาขึ้นมาแต่ที น, น, นี้ในกรณีที่ว่าถ้าสิ่งที่เราโดนเซีเนี่ยมันเป็นสมมุติว่าเป็นในที่ที่ไม่ดีที่ไม่ได้ให้กําลังใจนะครับแล้วเราก็าคือแล้วเราจะทําให้ตัวเรามีศรัทธาได้จากอะไรคือตอนนี้นมันก็จะมีศรัทธาอยู่สองทางก็คือศรัทธาจากคนใช้เท่าที่ทําให้เราเปล่งเกิดขึ้นเหมือนกับเด็กคนว่าแย้ที่ มีการกระตุ้นในการชนขึ้นมาต่อแล้วศรัทธาก็เริ่มเกิดแล้วเขาก็เริ่มทําไปอย่างต่อเ น, นื่องแล้วศักยภาพก็เพิ่มขึ้นแต่ในกรณีนี้มันคือผมกเข้าใจว่าสิ่งที่ดีนะมันมีแต่มีเนี่ยคือมันจะเกิดคือมันอาจจะไม่ได้เกิดจากรอบข้างแลมันจะเกิดจากภายในหนังก็อพิษการทีษดีหรือไม่ดียังไม่รู้แต่เราเห็นว่าผลน่ะถ้าเราไปทําแล้วมันเกิดขึ้นได้ดีซึ่งมันสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นจากในกระบวนการของตัวเรเอง ซึ่งบรรยากาศมันอาจะไม่เอื้อแต่พอเราทำเราเห็นผลนะอนนั้นนะมันจะก่อให้เกิดศรัทธาในตัวเราศรัทธาไปหลักนะครับที่เหมือนกับว่าบรรยากาศเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าถ้าเราทำไปแล้วผลมันจะโอเคแต่ว่ากว่าที่จะผ่านจุดๆนั้นไปได้บรรยากาศที่รอบข้างมันไม่ได้เอื้อให้เรามีศรัทธาขึ้นมาแล้วก็มีกำลังที่จะเดินเดินได้โดยที่คนรอบข้างช่วยเนี้ย ทำยังไงถึงจะผ่านคนจุดนี้ไปได้คือผมคิดว่าทุกคนคงติดตรงที่ว่าเราแพ้บรรยากาศรอบข้างจนที่บางทีเราก็ลบทิ้งสิ่งที่เราอยากจะสร้างศรัทธาด้วยตัวเราเองเหมือนกับว่าบรรยากาศไม่เดือเสร็จแล้วเราไม่มีแรงทคำตอบที่ผมสัมผัสได้แนละ้วแต่ว่าพอถ้าเราทําได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรามีแรงที่จะผ่าแต่ผมคี่ก็ตอนที่มันจะขาดไปก็คือตอนที่เราทนกับบรรยากาศไม่ได้ แล้วเราก็ไม่เห็นศรัทธาแล้วมันก็ไม่ต่อให้กับศรัทธาที่เราอยากจะทำนี่คือไม่นูจะงงหรือเปล่าคือผมจะแบ่งผมจะแบ่งพาร์เป็นสองส่วนก็คือบรรยากาศกับตัวที่ต่อแต่ศรัทธาที่ไม่งงนานาก็ไม่มองค่งะเข้าใจคือคนเราเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันถูกกําหนดด้วยสองส่วน ปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายใ น, นคนเราเนี่ยเอาอย่างผู้จ่าในบอกในการการที่คนเราเนี่ยจ ะ, จะเจริกนอกงานในทางธรรมะเนี่ยจนถึงนิพพานเนี่ยต้องอาศัยสองส่วนกระะนิริยานันท์อันนี้คือปัจจัยภายนอกสองโดนิโสมนัสิการก็คือการรูจักคิดคิดเป็นอันนี้คือปัจจัยภายในคนเราจะชั่ว จะตกต่าเนี่ยก็อาศัยปัจจัยของปัจจัยคือปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในสุขหรือทุกข์ก็เหมือนกันที่จะมาพูดเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยว่าตกลงเรื้องเงินไม่ตังค์เนี่ยก็เหมือนกันนะก็คือว่าคนเราเนี่ยจะสุขหรือไม่เนี่ยหรือจะทุกข์หรือไม่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยู่ที่คนรอบตัวเนี่ยอยู่ที่ข้างในใจเราด้วยคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดไปว่าคนเราเนี่ยจะมีสติทายตัวเองได้ต้องเริ่มต้นจากการที่มีได้รับได้รับ การปฏิบติในทางบวกนะการที่คนอื่นมีศรัทธาในตัวเรามันก็ทําให้เรามีศรัทธาในตัวเองนะการที่คนอื่นเขาเนี่ยมองเราในแง่ดีก็ทําให้เราเกิดความมั่คนคงมั่นคงภาพภู ม, มิใจในตัวเองแต่ไม่ได้แปลว่าคนเราเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้อานาจของสิ่งแวดล้อมภายนอกเสมอไปใช่ไหมเมื่อเรามีความมั่นคงในจุดหนึ่งเนี่ยแม้คนเขาคนข้างนอกเขาจะว่าเราอย่างไรเนี่ย บางทีเราก็ไม่เคยนะและความสำเร็จของความสวยของของคนเราเนี่ยส่วนจำนวนมากเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่มีความมั่นคงภายในแมนะ้ข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่เอาด้วยหรือเขาจะปฏิเสธทุกอย่างแฮร์พอตเตอร์เนี่ยนะเจ r คโรเนี่ยใช่ไหมเมืเราทราบในเจเคโรลลเนี่ยเ ข, เขาเขาเขเป็นนักเขียนโนเนมแลวเขายากจนเขาเขียน นิยายเล่นแรกเนี่ยในร้านกาแฟเพราะเขาไม่มีเงินร้านกาแฟมันอุ่นไอ้เป็นมันหนาวใช่ไหมมาเขียนในร้านกาแฟนี่มันประหยัดอะไรหลายอย่างแล้วหนังสือเขาเลฮิลลิเปิลต์ถูกปฏิเสธเนี่ยนะเป็นสิบเป็นสิบสำนักพิมพ์นะเพราะเขาโนเนมอะ่ะใช่ไหมแล้วนักอ่าพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือเขาเนี่ยเป็นนักอ่าพิมพ์ที่เล็กๆนะแต่ว่ามันดัง ปันดังก็เลยคราวนี้ก็รวยเลยนะคือเจคัวร์นี่ลองคิดดูดังพองเราเราเขียนหนังสือนะนิยาย น, นะแล้วถูกปฏิเสธมาสิบยี่สิบแผงเนี่นะหลายคนก็จะท้อนะก็ฉีกทิ้งหรือไม่โดนผังขยะแต่คนบางคนก็บรรจางของเขาดีอะ่ะนะเขาก็จะจามส่งไปเรื่อยๆนะคือเ ร, อเราจะพบว่าหลายคนเนี่ยความสวยของหลายค น, นยมันเกิดขึ้นท่ามกลางการใส่หวงคนรอบขาแม้กระทั่งไอแพดของสตีฟจ็อตเนี่ยนะมันก็ ใหม่ๆคนก็คือในในในในสตาร์ของเขาเนี่ย mm hmm. เขาไม่เอาเหมือนกันนะ mm hmm. ใช่ไหมโดยเพ้อเพลียาวซ่อมแก้เกอ้ออะไรไม่ได้เลยนะยของเขาเนี่ยมันสําเร็จรูปเลยนะจะไปเปลี่ยนเปิดอะไรมีอะไม่ได้ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องให้ลูกค้าเนี่ยเขาเปลี่ยนได้เปลี่ยนโปรแกรมอะไรได้ใช่ไหม mm hmm. เหมือนกับที่ไอเดกสก์ท็อปเขาทําได้ เพราะว่าเราต้องให้ลูกค้าเป็นใหญ่ customer is king customer เนี่ยลูกค้าเขาลู้ว่าเขาต้องการอะไรสิ e งเจ้าบอกว่าลูกค้าเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตัวองต้องการอะไรฉันรู้ว่าต้องลูกค้าต้องการอะไรใช่ไหมลูกค้าเนี่ยเขาไม่รู้หรอกาต้องการอะไรแต่ฉันรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็ทำไอ้ผัดขึ้นมานะเพราะว่า โอ้มันดังขึ้นมาเลยคืออันนี้ก็เป็นความดื้อร้าของสตีฟจอร์นะซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเขามีอีกอันนี่มานานแล้วแต่ว่ามันเชื่ออย่น้ว่าคือคนรน้อนก็ถือวมันมีความมั่นคงภายในเนี่ยนะไอ้กระแสกระแสะหรือปฏิกิริยาภายนอกเนี่ยมันจะมีผลน้อยและสื่อนี้ไม่ต้องรอยเป็นสตีฟจอร์ก่อนใช่ไหมเราก็อาจจะเริ่มต้นจากตัวเราถ้าเรามีความมั่นคงหรือเรามั่นใจในบางอย่าง หลายคนเนี่ยถ้าถูกด่าก็โกรธแต่ก็มีบางคนที่ถูกด่าก็ไม่โกรธนะเพราะว่าเขามีอะไรบางอย่างข้างในยกตัวอย่างเช่นพวกเรารู้จักโจนจำใดนะ้ไหโจนจำใด้เขาเป็นใครฮะถ้าไม่ถ้าไม่รู้ก็มาอ่านมาซื้อสื้อเลของเขาได้นะสเดือน <laughs> เขาเป็นคนที่ ดึงดูดบรรดาใจให้คนรุ่นใหม่หันไปใช้ชีวิตเรียบง่ายทำการธรรมชาติปลูกผักเลี้ยงตัวเองทํานาใช่ไโอ้แตนี่นีเน่เป็นไอเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่อยากจะกลับไปคืนสู่ธรรมชาติไปทํานาใช่ไ่มเขาถึงเป็นพรีเซนเตอร์ของบางจาดใช่เรื่องเซนต์กิพอเพียงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหรือปีนี้เนี่ยเาเลาสมายัยที่เขายังหนุ่มเนี่ย เขาอยากรวยเหมือนคนหนุ่มทั่วไปใช่ mm hmm. เขาก็เลยเข้าเมืองแล้วก็ทำงานทุกอย่างเท่าที่จะหาได้เพราะเขาไม่ค่อยมีความรู้ mm hmm. เขาไ้ไม่มีความมั่นใจเตือน mm hmm. เขาเสือเขาโง่ไ ม, มีความรู้นะ mm hmm. แล้ววันหนึ่งคราวเขาก็ได้ไปไปทำที่ไปได้ไปเป็นพนักงานทำความสะอาดโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพและันหน้ า, าก็คือแม่บ้าน โจนบอกว่าเนี่ยไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้มาก่อนเลยคือเจอหน้าก็ดา่าดาดา่ดาดใช่ไม่มแล้วมีคาหนึ่งนะโจนบอกว่าเนี่ยแม่บ้านี่เขาให้เขาเนี่ยไปไปขัดลูกลูกบิด ป, ประตูห้องพักลูกบิดมันเป็นทองเหลืองแม่บ้านก็ให้ร r โซ่วิจาระโซ่ o นะไปขัดแล้วโจนก็ขัดด้วยความตั้งใจจะเสร็จอยู่แล้วนะ MD โรงแรมมาถึงก็ด่าโจนเลยว่า ขัดได้ยังไงลูกไ อ, ไ, อไอ้ลูกบิดแบบนี้มันใช้ประโซ่ไม่ได้ใช่ไหมแม่บ้านสึ่งสั่งเขานะแทนที่จะป้องกันเขาปกป้องนะหรือรับรับแทนนะด่าโจ้ซ้ํา่าทําไมถึงโง่แบบนี้คุณคิดถึนะถูกถูกเจ้านายสั่งให้ถูกแม่บ้านใ ห, ให้ให้มาขัดลูกบิด้วยประโซ่เสร็จแล้วก็ถูกด่าเองเนี่ยในช่วงนั้นไม่รู้เกิด อ, อะไรขึ้นมานะโจน้นี่นะแทนที่จะโปรย อาจจะโกรธนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทาคือเขาพนมมือยกมือว่าแล้วก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าขอโทษครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ที่ที่ที่แนะนําแล้วก็นับแต่นั้นมาเนี่ยเขาเวลาเขาถูกแม่บ้านด่าเขาก็จะยกมือยิ้มแล้วก็ขอบคุณครับขอโทษครับเป็นอย่างนี้เนี่ยจนกระทั่งเป็นที่รูปกันในหมู่พนักงานบริษัทและพนักงานในโรงแรม บางหลายคนหาว่าเขาโง่ให้แม่บ้านเนี่ยกดขี่โขกสั ต, ตออบางเขาก็หาว่าเขาบ้าตูกด่าแล้วยิ้มใช่ไแต่ัจนสก็บอกว่าเขาก็ไม่หวั่นไหวนะเพราะเขารว่าเออทำได้มันดีฮะเขาได้ฝึกฝึกใจของเขาแล้วได้แหงกลับมาเล่น ง, งานหันมาจัดการกับความความไม่พอใจตัวผ่านไปเดือนหนึ่งแม่บ้านก็เรียกเขามาหา เบอกว่าเนี่ยฉันสงสัยเธอเกินเนี่ยเวลาฉันดา่าเธอทาไมเธอยกมือไหว้ฉันขอบคุณฉันยิ้มให้ฉันใช่ไหมตัวเขบอกว่าก็ที่ขอบคุณก็เพราะว่าอแม่บ้านเนี่ยได้ทําให้ผมเนี่ยได้กลับมาดูใจแล้วก็หันมาจากกัดการกับอารมณ์ของตัวนะไอ้สิ่งที่ผมทําำจะผิดหรือไม่เนี่ยผมไม่รู้นะเพราะว่าบางทีแม่บ้า น, นก็ก็ชอบผลชอบด่านี่ก็เป็นความสุขของแม่บ้านนะแต่ว่าผมก็ได้สุขของผมนะ นัดแต่นั้นมาแม่บ้านนี่นะเลิกด่าเข้าเลยนะเลิกด่าเขาเลยเหมือนกับว่าชนะใจห ร, ห, รหรือว่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าแพ้ใจแพ้ใจขอ ง, ของโจนนะแล้วก็แล้วโจนเขาวันหลังจากนี้หลังจากนั้นเนี่ยนัดแต่นั้นมาเนี่ยเวลาเขามีใครมาว่าเขามาวิจารเขานี่เขาเไม่เคยโกรธเลยนะคือนี่ไงคือไม่ใช่ว่าคนเราจะต้องคนเราเนี่ยจะต้องจะยิ้มก็ต่้งแต่ได้คําชมหรือว่าโกรธเมื่อโดนเมื่อโดนคนอื่นด่า ใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวอย่างยกคนเราเนี่ยจะทุกหรือไม่เนี่ยไม่ได้คิดว่าเขาด่าเราหรือไม่แม้เขาด่าเราก็ไม่ทุกก็ได้ถ้าว่าระวังใจเป็นใช่ไหมอันนี้มันก็สะท้อนถึงความมั่นคงภายในหรือว่าการจุดการทํางานกับข้างในตัวเองพอเวลาทํางานข้างในตัวเองเนี่ยนะแม้สิ่งรอบข้างคนรอบคนรอบตัวเนี่ยเขาจะเขาจะว่าเขาจะไม่เชื่อมั่นนะหรือเขาจะดา่าแต่ว่าเราก็ไม่ต้องทุกก็ได้อ่านะ เพราะนั่นเนี่ยสุดก็คือว่าคนเราจะเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ขึ้นว่าสิ่งมันล้อมกําหนดอย่างเดียวสิ่งสําคัญที่สุดคือข้างในซึ่งทางภาษาไทยเรียกว่าโยนิโสมนาสิการคือมุมมองวิจา ก, การคิดมองคิดถูกคิดเป็นเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยอันนี้เคยพบว่าทําไมคนบางคนเนี่ยอยู่ในคุกแล้วเนี่ยเหมือนกับนรกแต่คนบางคนอยู่ในคุกแล้วมีความสุขอย่างคารทีเนี่ยนะแฮปปี้มากเลยนะ เ Build ขาถือโอกาสว่าเขาบอกเนี mm ่ย hmm. เขา บ, uh บอกเขาบอกเขาบอกสามสิทธิ์เขาเลยนะว่าจงเข้าจงเข้าคุกเหมือนกับเจ้าบ่าวเดินเข้าเดินหอเจ้าสาวใช่ไหมการเข้าคุกเนี่ยสำหรับการทีละสามสินี่มันคือการได้ไปปฏิบัติความได้รีทรีตนะแล้วก็สามารถจะผลิตผลงานงานเขียนต่างๆมากมายนะเพราะฉเนี่ยมันคนเราไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นผลผลิตของสิ่งวัตร้อนเท่านั้น ถึงที่สุดคนเราเป็นผลผลิตของของของกันเรียกว่าอะมโนกรรมของการกระทําหรือกรรมของตัวเองกรรมนี่ก็มีทั้งมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมเนี่ยถึงสุดแล้วเนี่ยกรรมเนี่ยมันกําหนดเรามากกว่าสิ่งแวดล้อมน้าแชตอนน้าเขียนหนังสือถัดไปนิดนึงดีกว่าคือลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะคะออออเอาเลยค น, น้าก็ลืมเรื่องนี้ไปะล้วลืมจนะีวิณห์ไม่ได้ตั้งใจเนนเขียนหอกแต่มันเกิดจากการที่น้าทําวอร์ช็อปและน้าก็เขียนถึงพ่อเขียนถึงสามีเขียนถึงตัวเองเขียนไปเ <c oughs> ไไรื่อยๆเขียนไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยเ <c oughs> ขียนแค่ว่าอยากให้พ่อเห็นตรงนี้อยากให้สามีเห็นตรงนี้อยากให้ลูกเข้าใจนี่แล้วพอต่อหลังน้าก็นนะมาเรียนเรื่อ ง, งตา่างๆ น้นก็เลยเอาเรื่องต่างๆเนี่ยมาประกอบกับจดหมายที่เขียนจนกระทั่งมีวันหนึ่งมีคนพอถึงตรงนี้แล้วน้าก็ควรจะเดินทางกลับไปบอกกับเข็ขอบคุณค่ะคือคุณเลคุณเลนเนี่ยแกก็บอกว่าคุณ น, น้งผมดูออฟเอร์ช็อปคุณ น, าน้าส่งที่มีพลังที่สุคือจอดหมายที่นาเขียนคุณ น, าน้ณนานเป็นนัสือ ขาพูดกับนานหลายครั้งมากเลยยังงท่านนาก็เลยลงมานะั่งตั้งใจเขียนจนเกิดเป็นผัดไปแต่ตอนที่ทานาจบผัดไปแล้วเนี่ยนาส่งก็คือสนักพิมมันที่เล็กใหญ่มากเ้ามีคนแนะนำคุเล็ก็เป็นคนแนะนำสนักพิมนี้นี่ให้หนาส่งไปหัวหนาส่งไปให้หางขอคุย เขารอของนายไว้สามเดือนแล้วนะก็พยายามบอกว่าอ so ่านมาเป็นไงเขาก็บอกว่าอ่านอยู่เดี๋ยวจะขอแก้ไขอีกนิดนถามไปอย่งนีอยู่สามสี่เดือนสักพันึงก็นานพอสมควรนะเขาก็เขียนกลับมาบอกว่าออยากให้คุณาเขียนใหม่โดยการตัดจดหมายออกให้หมดพราว่าจดหมายนั้นน่ะคนเขาไม่อยากรู้เรื่องที่ในของคุณาหอก โอหมันเป็นความวิตกกังว้ น, นะนั่นก็แบบว่าล็อกนั่นก็ลองมาทำโดยเอาจมูกออกหมดนะเพรากลว่า น, ะนาา่าผากมันตายสร้างบ้า ง, าางลดนะนิ้วเท้าแน่ๆแต่เขาบอกว่านันก็บอกไม่เป็ น, นบบไรค่ะในต้องพิะ เขบอกเขายืนร้องไห้ตั้งแต่สามทุ่มที่ยืนอ่านแล้วนัร้องให้จนเช้าแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะเพียนหนังสือไล่นเนี่ยคือ แ, แล้วก็แลก็รู้สึกว่าเออบางทีเนี่ยคำวิจารเนี่ยมันมันมีผลจริงจงแต่ว่ามันไม่มีผลเท่ากับความเข้าใจในตัวเราเองถ้าเราเข้าใจตัวเราเองเนี่ยแล้วเรายืนกันนเชื่อว่าเราจะเริ่มเห็นข้อดีบางอย่างานัน คือเอที่มันให้คุณมากิโรต่เมื่อวานนี้หลวงพี่แท้ที่แท้ที่เอไอค่ะก็คําคําหนึ่งเผื่ว่าหลวงี่จะพูดต่อเขบอกว่าหลวงพี่ท่านบอกว่าให้เห็นเป้าหมายของงานมา่งมองเห็นน้แก่งานงานเป็นใหญ่เอ่ให้งานเป็นใหญ่อย่าให้หน้าเราเป็นใหญ่ โอหนะาโดนมากเลยใช่คือถ้าเกิเราเห็นให้เราให้งานเป็นใหญ่ามากกว่าหน้าเราเป็นใหญ่เนี่ยเราจะเริ่มไปสู่เป้าหมายของงานแต่พวกง่ายก็ทำยากพิเศษหรือมีให้ทําตอนเชิญค่ะเพราะว่าคืนนี้ถ้าท่านสามารถ ท, ท, ทํากี่เรียนมีความสุขเนี่ยถือว่าอเป็นความสำเร็เจของงานนะคะเพราะทาได้อย า, างทีง่ท่านพูดเลย มาพีดีดีีเอนจิเนียร์ใครมั่งก็เข้ามาด้วยความอ่อนแะโหดโดยแรงแล้วมันมีอะไรเจทีกผูดอุม่มก็อยากให้ท่านได้เข้าใจนะเชิญค่ะ ที่นี่ผมก็สังเกตว่าเขาหลังไม่ได้ชมกันเยอะากหวานกามาเที่ยวเมไทยก็คอยสว่แต่คนไทยที่เด่นงในตัวผู้ชายก็ยากแต่ถ้าทาเรื่องได้ดีแล้วก็จะง่ายเรื่องง่ายทีนี่ว่าการที่เราเป็นลูกพี่เนี่ยที่ไปชงลูกน้องก็ยิ่งยากขึ้นในครู้สึกของผมวา้ได้ไปเจริญใช่ไมไม่ได้ชงไปมันจะเสลอไปไหย เราจะโนคนนี้คนนี้จะขี้ยยังไงหรือวิธีการไหนทีททมนมน่มันคมนแล้วมันจะมันจะท้าย้มันจะจะพอดีวงการครับอาจารย์คุณก็จะเรียนศาสตนอ่มันมีมันมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการผลของการชนนะชมมีสองแบบอันนี้กับเด็กนะ เวลาพ่อแม่หรือครูชมเด็กเนี่ยมันมีสองแบบคือชมว่าเก่งนะโดยดูจากผลของงานที่ออกมากับชมว่าเออเธอสู้นะเธอขยันนะเป็นการชมถึงถึงความตั้งใจนะแล้วก็พบว่าเนี่ยอย่างนักเรียนสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยครูชมว่าเออเก่งนะเธอฉลาด น, นะ กลุ่มหนึ่งเนี่ยชมว่าเออเธอสู้นะเธอขยันนะอันนี้เขาชมเนี่ยหลังจากที่ให้ทําแบบฝึกหัดนะให้ทําข้อสอบไปสักอย่างนะซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยทําแบบฝึกหัดที่มันยากขึ้นกว่าเดิมอาจจะเป็นโจทย์คณิตศา่สามด้วยอะไรเนี่ยเขาพบว่ากลุ่มที่รับคําชมนักเรียนที่รับคำชมว่าเก่งเนี่ยพอเจออะไรา ย, ยากๆเนี่ยหลายคน ไม่ทําแต่พอไปชมกลุ่มที่สองที่จะคชมว่าเธอขยันนะเธอสู้นะไอโจราชการเนี่ยทํากันหมดเลยเพราะอะไรทําไมมันถึงเกิดทําไมกลุ่มแรกเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ทํานะเราแค่เป็นเพราะอะไรทําไมกลุ่มที่สองนี่ทําหมดเลย ฮะกลัวทําทำไม่ได้กลัวทำไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรก ไ, ไม่เก่งไม่ได้ก็เก่งกลัวจะทำไม่ได้กลัวจะทำผิดและจะไม่ได้รับคำชมว่าเก่ ง, กงใช่ไหมก็เลยไม่ทาซะเลยส่วนคุณที่สองเนี่ยทาไมถึงทำหมดเลยฮะทำด้วยใจทไม่ได้มีความคาดวัเป็นเ่องภาใอ่ คือพอชมว่าเก่งทุยันเนี่ยเขาก็ทําให้เกิดใจสู้ใช่ไหมยากไหมยากไอย้ยากหรือลาดยากหรือยากหรือง่ายกูก็จะทำใช่ไหมใจสู้อะ่ะไอ้กลุ่มแรกเนี่ยจะทําก็ต่อเมื่อสําสเร็จถ้าไม่สําเร็จก็ไม่ทําเพราะถ้าทําแล้วแพ้ก็จะไม่ได้ควาชมใช่ไหมแต่ถ้าแต่จะจะได้ควาชมก็ต่อเมืาาม่อทาสำเร็จเพราะนั้นก็ต้องทำในสิ่งที่มันคิดว่าทําแล้วจะบรรทัวอันนี้ ทำอันนี้มันทำให้เกิดข้อสรุปว่าเวลาพ่อแม่หรือครูจะชมเนี่ยนะให้ชมชมให้ชมไปที่ความสามารถไปความตั้งใจอยไปชมที่ผลงานเพราะถ้าชมที่ผลงานแล้วเนี่ยมันข้อดีมันก็มีข้อเสียนก็มีใช่ไม้มและเราเพราว่าเราสังเกตูพ่อแม่เวลาชมลูกเนี่ยเขาชมที่ตรงไหนลูกเป็นไงสอบได้เท่าไหร่ได้สี่ก็ชม ใช here, here <ock> <over every S 1> ่ไหมแต่ได้ได้สามเนี่ยว่าโดยที่ไม่คิดเลยว่าเออไอ้ที่ได้สมเนี่ยโอ้โหมันเด็กมันสู้นะเด็กมันพยายามนะลูกแข่งบอลนะเป็นไงชนะหรือแพ้ชนะก็ชมถ้าแพ้ก็ว่าใช่ไหมแต่โดยที่ไม่ดูเลยว่าเด็กที่มันแพ้เนี่ยมันมันสู้หรือเปล่ามันขยันหรือเปล่าแต่แทนที่เราจะบอกว่าเออแทนที่เราจะไปดูไปไปชมที่ผลของของงานเราชมว่าเขาตั้งใจเราดูที่ความตั้งใจแล้วเขาตั้งใจเนี่ย หรืแม่เขาแพ้ก็ควรากับการชมเพราะว่าถ้าแม่เขาขยันแล้วก็จะทําให้พ่อเพียนใช่ไหมอันนี้ยเราสังเกตนะว่าพ่อแม่เมืองคนไทยเนี่ยนะชมเนี่ยชมตรงไหนใช่ไหมและการชมของพ่อแม่เนี่ยหรือการตําหนิเนี่ยนะมันส่งผลมากต่อความมั่นใจของตัวเองหรือต่อความเพียนแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยถ้าชมปิดเนี่ยก็จะไม่ค่อยขยันนะแต่จะมุ่งที่ความสําเร็จให้ได้คะแนนดีแล้วเป็นยังไงฮะ อยากได้คะแนน ด, ดีทํไงก็ก๊อ บ, อบตัดแต่ g กูเกิลใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าถ้าทำออกมาดีแม่พ่อแม่ชมดีใจ <c oughs> คือไอการชมที่ผลงานเนี่ยข้อเสียมันมีก็คือมันทาให้เด็กจะทําทุกอย่าง <c oughs> เพื่อจะได้รับความสำเร็จนำมาซึ่งคำชมและรางวัลใช่ไหมพีม่นนะ้ำพอดีนักก็หมกมุ้นอยู่กับเกมนี้เลยนะนักกำลังมองว่า สิ่งที่เราทํากันแบบ TQM แล้วพอหนูที่พื่ประเด็นนี้หนูรู้สึกว่าเวลาที่เราวัดผล TQM นะเราวัดที่ผลลัพธ์เราวัดที่การพัฒนาวัดที่วิธีการใหม่ที่เราได้ออกแบบใหม่ที่เราใช้ความรู้ที่เราเครียดก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเอาความรู้ใหม่ๆมาแก้เหตุที่มันเป็นเป็นปัญหาหรือเป็นทุกข์ของเราเวลาเราไปออกแบบทําทดลองซ้ำก็จะกังวลว่าวิธีการที่เราออกแบบให พอไปลงมือทำแล้วเนี่ยบอว่าว่าม่มใช่คือวิธีการใหม่ของเราจนะเราวัดเราวัดผลลัพธ์ของวิธีการใหม่เราวัดที่ผลลัพธ์หรือเราวัดที่การพัฒนาของเราในเรื่ต้นตอสุดท้ายเราก็วัดผลลัพธ์ีคน้ทีบอกว่าต้นตอที่บอกว่าบรรก็สุดท้ายเยังดียวกันเดี๋ยวผมคอนเสิรจริงๆแล้วคือ ที่ปรึกษาเนี่ยให้เราวัดที่เหตุพอรู้ว่าเหตุก็ ค, คือความคาดหวังกับผลที่เราปฏิบัติมันไม่ได้เรเรียกว่าทุกข์ไม่ว่าเราแต่คาดหวังเองหรือว่าลูกค้าคาดหวังนี่ก็มาวิเคราะห์ให้เจอว่าเนี่ยมันคืออะไรที่ทําให้เราไม่ผลมันไม่ได้อย่างไร<ม>พอได้เหตุมาปุ๊บก็ต้องไปตอโต้อตอบที่เหโดยไปคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าวิธีการอะไรที่มันเป็นเหตุที่เราทําอยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นความกดดันก็เลยเกิดเอเอเราจะไปหาวิธิใหม่ยังไง เราเนี้ยครับที่จะจัดปรดกรันแต่ว่าพอพอบางผมได้เข้าไปค้นพบด้วยจากการก็ไปลองใหม่โดยวิธีหลายวิธีแม้จะผลอาจจะมาได้เหมือนกันแต่วิธีการมีหลายอย่าง<ม>ก็เลือกลงวิธีมาขั้นตอนที่ลองทําลองทําแล้วก็เช็คผลที่ที่บางทีที่เราพบว่าเรากดันคือเราไปตีการบ้านที่อาจารย์ไม่ม้อใหม่ตีไม่ถูกเราไปทำอีกจานหนึง่งที่พอมานําเสนอก็เลยเหมือนกับไปคนละทางก mm hmm. ็ตรงนี้ก็อาจจะได้ p r e s mm hmm. s u r ว่า แค่กลับไปทำมาใหม่นะครับอะไรก็คือจะเป็นวันรอบพีดีาคนั่นเแต่ว่าก็พบว่าที่เราทํามา5ปีเนี่ยกลุ่มที่ประสบความสเร็จก็ได้ขึ้นเวทีก็ได้รับแต่ว่าได้รับได้รับตัวลํางวัแต่ว่าวิธีการที่เราทำมาใหม่คือเรามาปรับปรุงเป็นมาตรฐานการทางานเพื่อให้น้องๆที่ที่มาใหม่ๆได้ทําตามตรงนั้นต่อเสร็จแล้วก็ปรับปรุงต่อเ น, นื่องเุดท้ายผลคือว่าเปลี่ยนพ a r a d i g ของของคนคนนึงเลยว่าเฮ้จริงจริงเนี่ย วิธีคิดี่มันมีหลักวิทยาศาสตร์มีหลักที่มาที่ไปมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่อยู่ๆผลจะได้อย่างเดียวแล้วถ้าเราไม่แก้วิธีไม่แก้ที่ผิกไม่แก้เหตุและปัจจับครับแล้วก็ถ้าเราทําให้ถูกวิธีปัญหาซ้ําจะไม่เกิดแต่ถ้าเกิดปัญหาใหม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอทั้การเรียนรู้ตัวนี้มันก็เลยต้องต้หมุนรอบหลายๆหลายหลายหลายหลายปีแล้สะสมประสบ์แน่นอนก็มีคนที่อาจจะอาจจะเข้าไม่ถึงนึก หรือยังไม่ถึงก็จะเกิดความผูกแต่คนที่เขาผ่านผ่านจุดตรงนี้มาได้ก็จะทำปัญหาต่อไปง่ายขึย้นไ้เรื่อยเพราะว่าวิธีการคล้ายๆก็คือสืบพิเหเราไปหาอหูุให้เจอแล้วก็ลองหาวิธีช่วยกันแล้วก็แก้พิเหทำซ้ำแก้เพิ่มเติมว่านี่ตรงตรงเรื่องของ ที่อาจารย์บอกเรื่องของศรัทธาของตัวเราเองคือความมั่นใจในตัวเราถ้ามันมีมากจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราเปลียนแปลได้ในขั้นตอนมันก็เหมือนกับว่าคนเราในแง่ของการเป็นคนชีวิตหรือว่าการทำงานเขาอาจจะยังต้องการการที่ให้คนอยู่ให้ความไ่้วางใจเหมือนกับศรัทธาให้เขาเพื่อที่จะทําให้มันเกิดกระบวนการ ใหเขาสามารถลุกขึ้นมาไนดะ้ให้ให้มีศรัทธากับตัวเองผมว่ามันก็ไปด้วยกันคืออยา่างที่ที่น้องถามเมื่อกี้ต่อกรณีของชักใยที่เพื่อนทีเป็นก็เหมือนกับว่าสิ่งรอบข้างมันมีเคเชอร์แล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาจะไหวไหมที่ที่จะทําให้ศรัทธาภายในตัวเขาเองจนกระทั่งสามารถลุกและเดินไปได้จนกระทั่งถึงแม่ล้อมเนี่ยมันไม่สามารถมากระทำ กลับตัาา็้ก็เหมือนกับว่าในชีวิตจริงต่อต่อการทํางานต่อที่เราอยู่ด้วยกันถ้าเราแต่ละคนสามารถให้ความมั่นใจหรืให้ศัทธากับคนที่เราอยู่รถถ่บข้างได้เขาก็จะค่อยๆก่อเกิดศรัทธาตัวเองแล้วก็ ร, ก ร, รก่วมกันหรือว่ามัน้าหน่าจะไป็นลดับไปข้างหน้าเจ้คิดว่าเมื่อเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเวลาตุนการทํางานนะเมื่อเรามีศรัทธา เมื่อเรามีศรัทธาในในตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นต้องมีนะก็คือฉันทาฉันทาในงานฉันทาคือความชอบความชอบเรียกว่าไฟทาซึ่งถ้ามันมาคู่กับไฟรู้มันจะทำให้ช่วยเสริมกันมากทีเดียวเพราะว่าถ้าไฟรู้เนี่ยแม้ว่าจะล้มเหลวก็ได้เรียนรู้ และทำให้เกิดพลังที่จะทาต่อไปถ้าไม่มีความใฝ่รู้พอล้มเหลวก็หมดแรงเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากความล้มเหลวนะแต่ถ้าเกิดฝ่รู้เนี่ยซึ่งเป็นชันท่าอย่างหนึ่งนะมันก็ทำให้ได้เดรียนรู้จากความล้มเหลวก็ทำให้มีเรื่องมีแรงในการที่จะทานำไปสู่การใฝ่ทา ไม่ต้่งคว่าในกรณีที่เวลาทำงานแล้วก็เจอโจทย์ยากๆเนี่ยนะที่จริงในการทำงานทุกอย่างเนี่ยถ้ามันมีศรัทธาด้วยแล้วก็มีฉันทะด้วยเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะเกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานงเข้าใจว่าทาง TQM เนี่ยมันก็อาศัยเป็นกระบวนการเรียนรู้นะเพื่อแก้ปัญหา ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาและความรู้นี่มันต้องเกิดจากจากการไตรตรองวิเคราะห์ของตัวเองและของกลุ่มซึ่งถ้าเกิดว่าถ้ามีความใฝ่รู้นะแล้วก็กล้าลองผิดลองถูกนะมันก็มันก็น ก, น ก, การทํางานก็จะกลายเป็นสนุกได้เหมือนกันที่จริงความกล้าลองผิดลองถูกเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกวีระ มันเป็นความหมายหนึ่งของวิริยะความเพียรคำว่าวิริยะเนี่ยเราแปลว่าความเพียรพยายานใช่ไหมแต่ความหมายหนึ่งคือมันกล้ากล้าที่จะกล้าที่จะสู้กับความลําบากกล้าที่จะสู้กับอุปสรรคซึ่งก็รวมถึงกล้าลองผิดลองถูกด้วยตอนนี้ความกล้าหลองทางถูเนี่ยมันคนเราจะเกิดความกล้าลองถูกงทูได้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าแม้ผิดก็ ก, ก็เป็นครูแม้ผิดก็ได้กําไรคือแม้ไม่ว่าจะล้มเหลวหรือสําเร็จเนี่ยได้ทั้งนั้นใช่ไหม ผิดก็เป็นครูล้มเหลวก็เกิดการเรียนรู้อันนี้เพราะฉันท้ายเนี่ยมันมันมันมันจะเป็นตัวเสริมศรัทธาที่ทำให้เกิดกำลังในการที่จะทำงานซึ่งจะทำให้เราจะไม่ไม่กลัวความล้มเหลวและเราจะสนุกกับความกับการทำงานแม้จะเจะอุปสรรคก็ได้เรียนรู้นะเพราะฉันว่าคิดว่าเนี่ยถ้าเรามีตัวนี้เนี่ยนะมันจะจำเป็นมากกำหับการทำงาน ให้สำเร็จแล้วมีความสุขด้วยที่เกิด p b ที่ทํางานอยู่กลุ่มผมก็เป็นกลุ่มที่ช้านะครับคืการเรียนปู้ภาษาแ ต, แต่เราผู้ระกอบไทยว่าการทำ p พเม เ, เหมือนกับที่ทพี่ไปดู่วนกีครับคือการ p d c นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในทีมเนี่ยเป็นปัญหาตรงที่ว่าเราไม่ค่อยเป็นตางกันบ้านคือคือควาหมายคือว่าอพอเราคิดนะครับแล้วก็เราไม่ได้ไปแช่นครับนั้นเวลาเรามาตอบกันบ้านเนี่ยเราก็ใช้เวลาที่มันลวมกันในการที่เรามาตอบครับนั้นเมื่อผลออกมามันไม่ดีนะครับอันนี้เราก็จะ คือในส่วนโปรของทีมเนี่ยก็นั่งคุยกันก็เกิดความระอายว่าเราไม่ได้เปทำต า, ตามสิ่งที่เป็นที่ควรครับแต่ถ้าเกิดการถ้าเราทํานะครับแล้วก็เราตีโจทย์ผิดเราในทีมก็จะมาคุยกันว่าเราเราถูกสอนใหม่แต่เรารู้สึกจิติงและจริงจีว่าสิ่งที่สิ่งที่เราคิดและเราไปทำไม่ไม่ตรงกับคำตอบเราเราจะไม่สีเรียเพราะเราว่าตรงนี้มันไม่ใช่ทางที่เราจะต้องเดิน มีผลางานมันให้ให้เห็นก็ได้จะพาไปต่อได้เงี้ยทีนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะเราจะสร้างสัมพันธภาพยังไงกับกับคนที่เรากลัวหรือกับคนที่เราเนี่ยค่ะจะคือเขาเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นว่าเรื่องนี้ต้องมาก่อนถึงจะคุยเรื่องงานเหมือนอย่างที่คนะุณอาว่าแต่เราจะทำยังไงที่จะให้เรากับเขาเนี่มีสัมพันธภาพที่ดีที่จะเอาเรื่องงานมาคุยกันต่อได้เงี้ยค่ะมีทีมไหมเราจะสร้างสัมพันธภาพ ก, กับคนที่เราหวาดกลัวอยู่กับกับคนที่เรา คนที่มีมีแรงไม่เท่าเราอย่เงี้ยเราเราเกรงเขาล็อกลเรียกกระทำเาได้อคือ ป, ประก de <t> ารเราต้มาเชื่อเราต้องต้องคิดนะว่าต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยทํามากับมือเนี่ยอะไรที่เราทํามากับมือเนี่ยเราก็ไม่ใช่กระจอกนะอย่าไปเชื่อที่ดุกไซต์ต้องเก่งเสมอไปนะต้องต้องมีความเพี้ยนี้ก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยทำมากับมือเนี่ย เราก็มีอะไรบางอย่างที่ ท, ที่ที่ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมบางทีเนี่ยคนทำงานกับมือเนี่ยเขาเาเารู้ดีเขามีเพียร์ที่มากกว่าได้ซํามันมีเรื่องราวนึงนะมันมีโรงงานโรงงานโรงงานหนึ่งผลิตคล้ายๆายาสิ่งฟันนั่นนะแล้วก็มันก็ใช้กระบวนการเอา ว่าเอเอ า, เอาคือต้องมีต้องมีสายพานเอาของเนี่ยผลผลิตที่ได้เนี่ยสินค้าเนี่ยใส่กล่องเข้ามาแล้วก็เขพบว่าหลายครั้งเนี่ยสินค้าไอ้กล่องเนี่ยที่มาถึงที่มาถึงปลายทางเนี่ยก่อนที่จะเอาขึ้นรถเนี่ยมันเป็นกล่องปา่านะเอาขึ้นรถไปแล้วเนี่ยขึ้นรถมันก็ไปมาด้วยระสายพานนะพนูดง่ายอัตโนมัติ พอไปถึงลูกค้าผอกกว่าลูกค้าก็โวยว่าไอ้กล่องเนี่ยมันไม่มีสินค้าเป็นปัญหาของบริษัทเพราะ้นนก็ต้องหาทางแก้ว่าจะทํำยังไงเนี่ยที่จะเช็คได้ว่ากล่องที่มันจะสายพานเนี่ยมันมีสินค้าหรือไม่ทีแรกก็ใช้คนตรวจโอ้แต่มันสิ้นเปลืองมากเลยเพราะว่าสายพานมันเยอะมากก็เลยไปจ้างที่ปรึกษามาที่ปรึกษานี้ก็อันดับหนึ่งนะแล้วก็เขาก็คิดอยู่นานเลยท่านก็บอกว่า มันต้องใช้เทคโนโลยียสมัยใหม่นะซึ่งสูงมากเนระใช้เงิ น, น่ยเป็นสองร้อกว่าล้านก็คือมันจะเป็นเครื่องช่างตรงปลายปลายสายพานแล้วถ้าเป็นกล่องเปล่าเครื่องมันก็จะบอกว่านี่เป็นกล่องเปล่านะเพราะมันไวมากเลยถึงตอนนั้นเนี่ยสายพานก็จะหยุดแล้วก็ให้คนคุมสายพานเนี่ยเอากล่องออก แล้วก็ไปรีเซ็ตเครื่องใหม่ทำเนี่ยก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะเร า, าลงทุนไปหลายร้อยล้านเนี่ยนะปรากว่าไม่มีกล่องเนี่ยเปล่าเนี่ยโผล่มาเลยมันถูกจัดการจัดการก่อนที่จะขึ้นรถบรรทุกแล้วเราเช็คมีข้อมูลทุกอย่างจนกระทั่งเนี่ยวันวันหนึ่งผู้จัดการกสังเกตว่ามันมีสายผ่านหนึ่งนะซึ่ง มันแทบม่มีการหยุดเครื่องเลยไม่มีแทบม่มีการหยุดสายพานเลยใช่ไหมไอผลงานกองมาดีนะคือว่าไม่เคยมีกล่องเปล่าออกมาจากสายพานนี้แต่ทนายดังสายพานนี้ก็ไม่เคยหยุดเลยการที่สายพานอื่นเนี่ยมันต้องหยุดแล้วก็เอากล่องออกแล้วก็แล้วก็เปิดเครื่องใหม่ก็เลยสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไปที่สายพานเนี้ปรากฏว่าไปเจอเด็กก็ไปเจอนะ ไอเด็กที่คุมสายพานเนี่ยตรงใกล้ๆสายพานนี่นะเอ็กสายพานมันมีพัดลมเขาถามว่ามีพัดลมไปทําไมเด็กก็บอกว่าพัดลมเนี่ยเอาไว้เอาไว้เป่าเงี้ยเวลาเวลากล่องไหนกล่องเปล่าเนี่ยมันก็เปล่าผมบอกเนี่ยผมผมใช้วิธีนี้มันดีกว่าเพราะผมไม่ต้องไปรีเซตเครื่องเพราะว่าถ้ากล่องถ้ากล่องมันไปถึงไปถึงไอที่เครื่องช่างเนี่ยนะมันต้องหยุดแล้วมันต้องไปรีเซ็ตใหม่บอกผมชี้เกียร์ผมก็เลยใช้พัดลมเป่าพัดลมตัวละร้อกว่าบาท อไอ้เนี่ยเก่งกับผู้เชี่ยวชาญ น, นะคือเนี่ยคนที่ทำงานกับมือเนี่ยมันเราต้องมองคนที่ทํางานกับมือนะมันมันก็อยู่กับปัญหามันมันน่าจะรู้ดีกว่าเพรามะนไม่มีทางออกที่มันง่ายกันนะก็ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยเพราะอย่าไปกลัวนะครับอยไปกลัวเนี่ยเราเราทำเราทำงานกับมือเนี่ยเราต้องเราก็มีอะไรดีบางอย่างแต่เพื่อผู้ผู้เชี่ยวชาญต้องดีรู้ดีกับเราตอนนี้เราต้องเชื่อต้องคบกันแบบสเสมอบาดเสมอไหลโอเค เรารู้ปัญหาแต่ว่าเขามีทฤษฎีก็มาช่วยกันมาแต่คิดว่าเขาเก่งกว่าเราเสมอไปเออแต่ด้านหนึ่งที่นานาก็ไม่รู้ว่านาอีโก้หรือป่าน้องก็ยังพยายามค้นหาว่าคือตอนที่แนน่ถาม แ, แนม้วแนนใช้คาว่าเลงต่างกันเนี่ยจำได้ว่าตั้งแต่ตอนทำงานเป็นวิศวาจนถึงตอนแ น, นะนาไม่ค่อยรู้สึกว่า คือน้าไม่ค่อยรู้สึกเรื่องอย่างเงี้ยแบบต่อให้เราเป็นลูกน้องอ น, น้าก็ไม่เคยโกรธนะ <c oughs> คือน้าไม่ได้รู้สึกว่าเขาเล็งแต่องออกเระตอนที่หลวงพี่พูดถึงว่ามันเสมอบาทเสมอไหลเนี่ยแล้วว่ามันเป็นมันเป็นบางอย่างที่ตัวเราที่แบบที่ถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราตั้งใจเต็มที่แต่ทุกคนก็น้าก็เห็นสิ่งที่เป็นปัญหาคือทุกคนตั้งใจเต็มที่ นะ่านะเห็นจริงนาะเห็นหลายคนที่ตั้งใจเต็มที่แล้วแบบว่าพอเจอหน้ากันมันเต็มด้วยความเศร้าหมองคือนาก็ไม่รู้ว่านาจะแก้นาจะแก้ยังไงว่าจะทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนอย่างงามเราจะทําให้เขารู้สึกว่าเราอาจจะเก่งกว่าเขาก็ได้เขาไม่ได้มีแรงสูงอะไรกับเราเท่าไหร่หรอกถ้าเราสนทนากันด้วยความรู้สึกที่เรา เราเราสนทนากันด้วยความรู้สึกที่ว่าเรากำลังค้นหาสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ได้สนทนากันด้วยความที่รู้สึกว่าเขาเลี้ยงสูงกว่าเราหรือ น, นักว่าแรงแรงแ ร, ร, ร, ร, รงกิ้งหรือไงแรงกิง้งแบคือตำแหน่งสูงกว่าเงออินเดือนเยอะกว่า เพราะว่าสมัยตอนที่เป็นนัก ศ, ศ, ศึกษาในโปรเฟสเซอร์ก็ทะเลาะหมดด้วยแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อนะไม่เชื่อมันก็ทะเลาะก็เลยไม่ค่อยเขา ก, ก็เลยแบบว่าเออไม่รู้จะทําไงที่ทําให้คนแบบรู้สึกได้ว่าเราไม่เราไม่จําเป็นต้องกลัวข<อ>เขาน ะ, ะนาถ้าเรายาืนหยัดว่าเรากําลังตั้งใจจริงประมาณนี้คะอาจจะย์เชิญค่ะขอแชร์เพิ่ม มุมหนึ่งที่เราอยากเชร์ถ้าถามเกี่ยวกับตรง EBM อ่ะจริงๆเมื่อกี้คือเห็นเห็นด้วยแต่ตรงที่พระาจารบอกว่าเเรื่องของสัญชาติรู้สึกว่ามันมันมันโกงแล้วมันโดนนะคะคือถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเราเรามีความใฝรู้หรือว่าความรักที่เราอยากจะทําจริงๆถามว่าตรงจะเป็นที่ปรึกษาจะเป็นใครจะเป็นหัวหน้าจะเป็นใหญ่แค่ไหนแล้วว่าเรามัน ไม่เกี่ยวคือถ้าเรามีความรู้สึกว่าอันนี้คืองานสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงมันหมายความว่าเกิดจากทีมงานเราลูกน้องเราคนที่จะไปทําจริงๆไม่ใช่คนที่ไม่ได้ทำไปเราและคนที่ต้องไปทําจริงๆมีความอยากปรารถนาที่อยากจะปรับปรุงงานที่ตั้งใจจะทำไม่ว่าจะขึ้นไปพรีเซนต์กี่ทีโดนจะโดนหรือไม่โดนมันจะมีความภาคภูมิใจอย่างว่าคือ ฉันทำมาแล้วจะได้รู้สักทีว่าไอ้ทําตรงเนี้ยมันใช่ไม่ได้อยากจะมาให้อาจารย์ตรวจว่าไอ้ที่เราทํามาน่ะมันถูกทางไม่ถูกทางคืออยากจะรู้อ่ะอยากได้ความรู้จากเขาแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เจดเกิดจากฉันท้าหรือความที่เราอยากจะใยรู้อยากจะปรับปรุงหัวหน้ารับมาอีกทีก็ไปบอกน้องก็ต้องไปทําถามว่าคนเป็นน้องมันอยากขึ้นมาพรีเซนต์ไหม ผมไม่อยากอนะ่ามันยังไม่ได้เปิดใจที่อยากจะทํามันจะอาจจะมีความรู้สึกตรงนเพราะว่า TVM จริงๆมันคือหมายความว่าหน้างานคนที่ทําก็เป็นคนที่รู้ที่ตัวเองกระบวนการในการปรปรุงอะไรมันไม่ได้เกิดจากท้องดาวอย่างเดียวแต่มันต้องเกิดจากในกระบวนการนะคะที่มีความที่อยากปรับปรุงงานของเขาจริงๆก็เลยคิดว่าอันนึงคือเรื่องของฉันท้าที่มากินลันภาจางออค่ะ ที่ว่าใช่เลยส่วนอีกอันหนึ่งที่ที่อยากจะถามเพิ่มมาที่เมื่อกี้เรื่องของปัจจัยภายนอกอกับกัรท่านคงทำติดใจสมมุติเราเราในฐานะที่แบบว่าเราเป็นลูกน้องหรือว่าลูกน้องเราอีกทีนึง่งมองหาค น, นที่เป็นไอดอลต่อหรือว่าจะเป็นแรงบันดาลใจทําให้ตัวเราเดินก้าางตัวเราเองที่อยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จอยากมาทำพังดันให้ีวีมันสําเร็จอย่างเงี้ย น, นะคะแต่สมมุติว่า ถ้าน้าเวทีที่แบบว่าคนที่เป็นไอดอลเราหรือว่าเป็นแบบอย่างเป็นโลโมเดลของเราอ่ะเกิดแบบก็ยังไม่รอาคนที่เป็น <c oughs> น้อง่ากจะรู้สึกยังไงคะกำลังใจมันหายขนาดพี่ยังขนาดนี้เลยอะ่ะจะไหวไหมมันมันจะรู้สึกอย่างนี้ยค่ะเรารู้สึกนะคะภาพบรรยากาศที่คําว่าพันากาศมันไปเอือ่องความหมายที่มันมันประมาณนี้เหมือนว่าเออถ้าขนาด คนี้เราคิดว่าเออน่าจะน่าจะไหวนะน่าจะรอด น, นะยังไม่รอดบ้งพี่น้องก็รู้สึกขาดกำลังใจถ้าพี่ไม่เข้มแข็งก็ไปเลยค่ะแต่ถ้าพี่เข้มแข็งน้องน้องก็ยังจะคิดว่าเอ้ยพี่ยังสู้น้องก็ต้องสู้ค่ะก็คิดว่ามันมันจะต้องมีบรรยากาศที่เอือ้อต ก, กันและการนะคะก็เลยอยากเดถามท่านอาจารย์เพิ่มด้วยว่าถ้ากรณีแบบเนี้ยเหมือนเหมือนความปัจจัยภายนอกเราถูกถูกทําลายทําให้เราเสียความมั่นคง เราจะพูดเรากลับมาให้มีความมั่งคั่งใจจิตใจขึ้นมาเนีอยยังไรดีไม่ไมรอดแปลวไม่รอดแปลว่าล้มเหลวใช่ไหมคือล้มเหลวแต่ไม่ล้มเลิกเนี่ยคือสิ่งที่คนที่เป็นหัวหน้ายิ่ทําแบบนี้คือล้มเหลวแต่ไม่ล้มเลิกหน้าที่ของหัวหน้าเนี่ยไม่ใช่เก่งกว่าคนไม่ไม่ใช่เก่งกว่าลูกน้องบางทีลูกหัวหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งเท่าลูกน้องในเรื่องดนตรีนี่นะฉลาดสู้ที่รุกษาไม่ได้ที่รึกษาฉลาดกว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ย แต่สิ่งที่นักธุรกิจทีี่ควรมีก็คือว่ามันกล้าตัดสินใจและมีแรงบันดาลใจให้กับลูกน้องอันนี้หัวหน้าเนี่ยจะมาคิดว่าไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าลูกน้องแต่ว่าสามารถจะบันดาลใจได้และการบันดาลใจลูกน้องส่วนตัวก็คือว่าล้มเหลวแต่ไม่ล้มเลิกเมื่อลูกน้องเห็นว่าหัวหน้าเนี่ยโอ้โหสู้ยิ้มตานะมนก็บันดาลใจให้เขเกิดกําลังใจใช่ไหมแต่สมายนี้คิดว่านี่คือสิ่งที่หัวหน้าควรจะมีไม่ใช่หัวหน้าต้องเก่งล้ม ล้มเหลวไม่ได้ล้มเหลวได้แต่ไม่ล้มเลิกเนี่ยอันเนี้ยแล้วมันจะอินสปายคือให้แรงบันดาลใจกับลูกน้องลูกน้องก็จะสู้นะสู้ยิบตาใชและในส่วนที่ต้องสาเร็จกันได้อะต่อมาเนี่ยชอบอันนี้ไม่เกี่ยวกับผลหน้านะแต่ว่ามันมั น, ม, นมันแสดงความคือมันแสนบเรื่องของการมีไฟนะันภาพเนี่ยมันมันจะช่วยทำให้มีไฟในการทางานและ คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยิ่งเป็นยิ่งเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องต้องมีไฟและสามารถจะปุดจุดไฟให้กับลูกน้องได้แต่หัวหน้าจะจุดไฟลูกน้องได้หัวหน้าต้องมีไฟในตัวก่อนที่จริง ท, ที่อาจารย์ที่ดีนะมีคนพูดว่าครูครูที่ดีนะสอนครูที่ดีกว่าสาธิตครูที่ดีสุดให้แรงบันดาลใจใช่ไหยเราเราพวกเราครูที่ครูที่เราประทับใจเนี่ยคือครูแบบนี้แหละครูที่ครูที่ ทำให้เรามีไฟครูแลายคนเนี่ยสอนเก่งแต่เราไม่นไม่ให้ไฟขเราเลยใช่ไหมเราไม่เกิดวิชาเราไม่เกิดความรักในวิชานั้นเลยแต่ครูหลายคนเนี่ยทาให้เรารักวิชา้ขครูเนี่ยเขาให้เขามีไฟผู้สอนสนุกครูครูก็สนุกในการสอนนะและทาให้เราสนุกในการเรียนใช่มแล้วถ้าผัหน้าเนี่ยสนุกในการทางานน้องก็พลอยสนุกในการทางานด้วยที่ปรึกษาการมการให้ที่ปรึกษาถ้าเามีเขาสั่งาเามีไฟนะเขาจะทำให้ผู้เรียนเนี่ย เกิดไฟที่จะสู้ที่จะทําแล้วไฟสําคัญนะอาตมาเนี่ยเมื่อกี้ชืิววันรอดเขาเมือคืนคุณป้าคุชาวเกาหลีแกอายุตัวเจ็ดสิบแกเป็นพนัก ง, งานแกเป็นแกแกแกมีร้านขายขผักแต่ก่อนเนี่ยมันมีคนช่วยส่งขับรถส่งให้แกตลอดหลังเนี่ยเขออกแกต้องขับเขาส่งผักเองแต่ปัญหาของแกคือแกไม่มีใบขับขี่แกต้องไปสอบใบขับขี่แกสอบผ่านปฏิบัติได้ แต่แกสอบภาพภาคภาคคุษฎีเนี่ยตกคำถามมี50ข้อแกไม่เคยตอบได้ถึง30ข้อเลยคือ60คะแนนไม่เคยถึงตอนที่เรามาได้ขาวเรื่องเนี้ยแกสอบมาแล้วเนี่ย775ครั้ง775ครั้งใบขับขี่นะนั่นคือเดือนกุมภา5สองเดือนพฤสศิษย์5สองแกได้ หลางจที่สอบไปแล้วก็รสิบครั้งคือขยนันเนี่ยคือไม่ยอมแพ้เลสู้ยิ้ตาเลยสอบค่ทุกวันวันเป็นวันหคนเราเนี่ยสอบ5าครั้งไม่ได้ก็เลิกแล้วแต่แกเนี่ยสอบนี่คือให ค, คนทาทใไมเกาหลีมันดีเจริญนะเพราะมันมีคนแบบเ น, นี้ยทั่วประเทศใช่ั้ยคือขยนันมากของเราเนี่ยสอบสามครั้งไม่ได้ก็ซื้อแล้วไมไ่ซื้อแล้ว้น เพระนั้นไม่้ไม่สามาสอบครั้งเดียวเราไม่ได้เราซื้อแล้วเกาหลีคุณทํามันก็ไม่ได้คุณซื้อไม่ได้คุณใช้เซ็นไม่ได้ก็มีทางเดียวคือถ้าอยากได้ก็ต้องสู้คือเนี่ยคือเนี่ยเห็นแล้วคนอย่างนี้นะคือมันแพ้เท่าไหร่ไม่ไม่ยอมไม่ยอมเลิกนะสอบไม่ได้ก็ไม่ยอมแพ้สู้อยู่แล้สู้สู้สู้จะทำอะไรได้ได้มันต้องปล่อยวางระดับหนึ่งนะเพราะถ้ถ้าถ้าถ้าหวังมากเนี่ยแล้วมันไม่ได้ก็มันก็เลิกก็ท้อ แต่ทำไมแกไม่พอพราแกมันเคได้แกแกตั้งใจแต่แกไม่คาดหวังมากทําเต็มที่จะไม่ซีเรียสเนี่ยชื่อตนังเสือธรรมะถ้าแกซีเรียสนะแกเลือกไปแล้วนะพุทธมาสองพุทธมาสองอ๋อนี่มีแจกไม่ต้องซื้อนะมีแจกคือเนี่ยเราต้องประเภทต้องทําเต็มที่จะไม่ซีเรียสนะะคือสู้ยิบตานแต่ว่าไม่ได้ไม่เป็นลายก็ทําใหม่ล้มเหลวไม่เป็นลาสู้ใหม่ คุณป้าในแก่ล้มเห ล, กลวก็รักษาค่ะตั้งแต่ก็ไม่เลิกนะล้มเหลวแต่ไม่ล้มเลิกนในสุดก็กได้เป็นได้นะองค์รั้ต้องคิดวิธีทำให้ที่ปรึกษากลัวเราบ้างผมผมเขาใช้เพื่อเบื่อคีณเองมันก็มีหลายกลุ่มนะ ที่ทำเสร็จแล้วก็ภัคลูกิใจได้ไหมเนี่ยนี่นี่ได้กินทั่วแล้วก็ตั้งแต่เราทำ TQM มอห้าปีา ป, ปีนี้ข้าปีนี้เราพบว่าการส่งต่อ ง, งานมันเป็นข้อดีกันเลยเพราะว่าเราเอาความคาดหลังของลูกค้ากระบวนการถัดไปที่เอาพนงานให้สอยเราไปชา แวลาจะกระโดดข้อหมายการปรปับปรุงก็ต้องมาจากคนที่เอาฝูของเราไปใช้เพราะฉะั้นไม่ใช่ว่าเอาผลงานของตัวเองที่จะประเมินแล้วไปไปไ ป, ไปเกต เ, เพื่อไปเพินมเงินเพรฉนั้นเราคิดถึงแบบว่าคุณประโยชน์ของเราในแต่ละวันที่เราติดมาจะดีตัวมปนเป็นรางวัลขึ้นมาเราเอาความต้มองการของลูกค้ามาปรับปรุงทุกครั้งที่เรามีคนพบวิธีการใหม่ที่มาออกแบบวิธีการทํางานเพื่อให้มันมีความเสถียร แค่ดีที่สเพราะว่ามันต้องรับอย่ดีนะก็ะเพราะว่าค่าในการส่งคุณภาพงานที่ประสบไปลูกค้าก็บอกว่าโอเคดีขึ้นเราก็มีความภาคภูมิใจว่าจริงๆเป็นมูลค่าของเราเกิดจากการลองมาของที่ลูกค้าให้เราเราก็มีความภูมิใจแต่เส้นทางของการที่บอกวิธีการใหม่มันไม่ให้อยู่ๆปุ๊บเราก็จะพึ่ทักเราก็เปียนเราเดาว่าออกมาแก้แบบนี้บ่อยครั้งเราเพราะว่าเราจะประสบ ก, การณ์เดินเร า, าแก้ซึ่งมันเหตุการณ์มันใหม่มไม่ใช่ตการเดิน ทีนี้ก็เลย ว, ว่าความยากของเรื่องอยู่ตรงนี้ก็เลยมาเกิดว่าถ้าเตรียมตัวเตรียมพร้อมไม่ทันเหมือนกับจะสสดกันบ้านแล้วแต่กันบ้านมันไม่ได้หรอกก็จะเกิดความกังวลกราไปไปนําเสนอก็จะเกิดความประมาทแต่ว่าบางกลุ่มที่เข้าไปทํทาซ้ํำทาซ้ําำจะมานําเสนอได้ด้วยวิธีการใหม่ที่ดีที่อาจจะไม่ใช่วิธีการที่อาจารย์แนะนำนะแต่วิธีการที่คิดไปนอกไปก่อนนะอั้นกาจะเก็ปิ้งขึ้นให้ได้ ซึ่มี้ก็ได้รับความชมบางกลุ่มเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าตั้งแต่ผมเนี่ยศึกษามา5ปีมีกลุ่มนี้นะที่ผมปลอมมือในในขณะที่ปีเซนที่ยังไม่จบก็ได้รับคํามชมดังนั้นอาจารบอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีละคนไปอาจารย์เนี่ยกลาลังจะสอนว่าถ้าเราพยายามเราเราไปทำตามที่ที่เราตกลงกันไรแล้วปากไว้ไม่ได้แล้วอาจารย์ก็จะช่วยวินิฉัยต่อ หรือว่าแนะนําต่อเพราะว่ารู้ว่าจะ ป, ปรับปุงเรื่องอะแต่ถ้าเราไปทํากันผ่านเราไม่เสร็จถ้าไปวิ่งไม่ใช่ไปก็เหมือนหมอใจร้าวอาจารย์ขอไม่เป็นไรรอบนี้ยังไม่วินี่ใช่กลับไปทำอีกถ้าเสียเวลาไปเรียนแต่ไม่เป็นไรก็คือถ้าเราคิดว่าเราทำปรับปรุงงานเราไม่ได้เอาที่ที่หน้าตาเราเอาที่การยํารับว่าเราไปปรับปรงงานจริงนะกลับมาเราก็มาตั้งหลักตัวนี้มันจะได้ความเป็นเพราะว่าผู้น ถ้าหัวน้าไม่เห็นหน้างานนะก็ไม่รู้เรอกวาจะช่วยลน้นองยังไงแต่ถ้ามัวหน้าเนี่ไปเห็นหน้างานไปช่ ว, วน้นองขอบรุงเ่สร้างสกปรภาพ ก, า ก, าาก็จะเกิดขึ้นที่หน้างานปัญหายากค่อยหน้าึ้นก็มีความก็จะถึงเหตุก็แตมันไปเพราะนั้นก็เลยบอกพิมานว่าจริงๆมันแค่โมเมนต์หนึงเราต้องขั้งแตกนี้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ไมเปลี่ยนอินพุตไม่เปลี่ยนคอสต์ผลลัพธ์ที่ใหม่ๆที่เราจะสร้างคุณ่าให้กับลูกค้าแข่ขงกับคนอื่นแล้วก็ไม่ดี คนไทแล้วเขก็ไปซื้อของพี่ดงนั้นตรงนี้มันก็เป็นแน่ๆคยิ่งกว่าทำวิจัยเรื่องใหอ่บางเรื่องมันยากนะบแต่บางเรื่องมันก็ปัญหานิดหน่อยแลบเดียวก็แก้ได้ละแต่บางเรื่องมันยอ่พอเรื่ อ, ใองใ่มาปุ๊ซึ่งก็อาสัยกวนการก่อนหน้ากนวะการถัดไปมาช่ยกันทำมได้ใช้เวลานนะ่อยบางเรื่องมันเป็นปีแต่ว่าเส้นทางที่ปรับปรุงมาเรื่อยๆาการจะให้แน่วัน้ดีนอแต่70 110อีกก็อะไรลงว่จริงแล้วมันก็เป็นแ เป็นส่วนานาี้นะครถ้าเราได้ได้วันนี้ได้สายจางอายจางเนก็เห็นมันจริงๆแล้วถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราปุงมันมีประโยชน์ป้าหมายชัดแล้วก็จะมีกำลังใจที่จะทำนางก็ว่ารู้สึกว่าบางทีเราคุยถึงบางเรื่องเนี่ยโดยการที่คุยเพียงแค่ละหนเนี่ยโดยที่ไม่ไม่ได้มานั่งคุยอย่างเงี้ยนะเขานั่งคุยอย่างเงี้ย แล้วเสิ่งที่แบบเราคุยกันในในมุมนึงเนี่ยมานั่งวางไว้ตรงกลางแล้วก็ช่วยกันพิจารณาแต่วันเนี้ใครหนึ่งไม่ได้พิจารณาไม่ได้ช่วยคิดแต่ก็อ่านจะได้อะไรเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่พยายามโยนอะไรก็ามาเนยเชื่อว่าน่าจะได้อะไรบางอย่างน้อยนะ่ะรู้สึกว่ามันมีบางมุมที่ทําให้ใจมันขึ้นมาแล้วมันมีบางมุมที่น่าเชื่อว่า มันมีแรงหนึ่งดูดบางอย่างเวลาที่คนนึงท้อเนี่ยมันจะมีแรงหึ่งดูที่หนึ่งคนท้อมาอยู่ร่วมกันแล้วเมื่อคนท้ออยู่ร่วมกันแล้วเป็นไงมันก็จะลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีทั้งคนที่เห็นความสําเร็จเห็นคุณประโยชน์ดูแลคนท้อแต่เราอยากให้อยากให้เห็นว่า คือวันนี้เรากาลังเรียนรู้เพราะว่าเราเป็นผู้นําแล้วค่ะเราไม่ได้จะเป็นผู้นําเราเป็นผู้นําแล้วเป็นผู้นําที่ว่าให้เราจะบิ้วกันในังไงดีที่ทําให้เราไปข้างหน้าต่อด้วยความสนุกนะคิดว่ามันน่าจะทําอะไรที่ทําให้สนุกได้นะคะมันน่าจะมําได้ทําให้แบบว่าที่ปุกษากลัเราเี่ยานะว่าสนุกมาก <c oughs> ในยไม่เคยเจอจนันเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นโรคจิตนินี้ชอบเอเนอร์จีออกมาอยางี้ยแล้เลยชวนมานั่งคุยกันว่าเออเราหน่าจะเข้าใจยังไงมีคำถามไหมคะแค่ฟิวฟิว่าดีขึ้นหน่อยๆ น, นะไม่เกี่ยววัาดีคือเอ็นจะได้ค่ะ ไม่งั้นก็จะนิมนต์ที่หมวดนะคะพามาวันนี้หลพี่ก็มาประม ง, งนะคะแต่นี่คือพรสวารคของท่านและนัดเชื่อว่าเป็นเป็นสิ่งที่มาสแสดงนันของธรรมะนั่นคือว่าธรรมะ ต, ตอบได้ที่ยัง่็เลยชอบทำแบบนี้นะคะ ก็ไม่มนุษย์ค่ะว่าเพื่อนที่อยากจะกล่าวอะไรตอนจบให้พวกเรานอนหลับไม่ไม่ต้องฝันนะนอนหลับอย่างสงบคือคนเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในวิชาชีพใดนะไม่ว่าเป็นหมอหรือนักดนตรีหรือว่าทำงานวิชาการมันต้องประกอบที่สามอย่างเท hey. หัวแทนก็คือมือฮากก็คือหัวใจเน้นเนี่ยหัวก็หมายถึงว่ามีความรู้นะมีข้อมูลอาจจะเข้าใจทฤษฎีเช่นแพทย์เนี่ยนะหต้องจำต้องจากายุภาพของคนเนี่ยอย่างละเอียดนะจำกระบวนการก่อโรคนะ น, น่ะนะชนิดแต่ว่ามีความรู้ให้พอต้องลงมือนะต้องลงมือพาต้องลงมือขีดยาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องทักษะซึ่งแต่ละไปก็ไปศิลปะอย่างมันก็ถึงเรียกว่าถ้าจบก็ถึงเรียกว่าไปประกอบโรคสิลป์ น, นะเทนเนี่ยจะเป็เรื่องของของศาสตร์นะส่วนแฮงนี่เป็นเรื่องของศิลแต่ว่ามันไม่อพอต้องมีต้องมีใจนะฮาร์ดฮาร์เนี่ยถึงใจนี่ใจนี้หมายถึงว่า อยเช่นหมอเนี่ยก็ต้องมีความเมตตากรุณามีความเข้าใจแล้วก็มีความรักใ น, นความรักในงานเนี่ยก็เป็นเรื่องของของฮาร์กนะการที่มีไฟในการทํา ง, งานก็เป็นเรื่องของใจหรือฮาร์กหัวใจนักดนต ร, ตรีก็ต้องมีต้องมีตรงนี้นะคือแม้ว่าจะจําโน้ตได้น้าแม่นเลยนะแล้วถึงแม้ว่าจะจะบีเป็นโนดได้ได้เก่ง สีแววหอไอรนได้ถูกนะแต่ถ้าไม่เข้าถึงอารมณ์ของเพลงมันก็ไม่พร้อขใช่ไมมันต้องให้ใจที่มันเข้าถึงแล้วเด็กๆ เ, เนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยมักจะเล่นเปียโนได้เก่งสีแววอยู่ได้ได้แม่นยำนะแต่ถ้าเพลงเพลงบางอย่างเนี่ยเข้าไม่ถึงอารมณ์ น, นั้นเนี่ยมันก็ก็เล่นไม่ได้หรือเล่นได้กต่ไม่พร้อนะ ที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้นะมันมันก็มีทั้งเรื่องของการความจะเป็นมีเรื่องการที่ต้องมีหัวเช่นมีความรู้เนี่ยไอ้ทีพเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ต้องใสความรู้คือสมองการค่อยวมาพิจารณาแล้วก็ต้องใสทักษะจากการที่ทําแล้วทำทําแล้วมันก็จะมีความคล่องนะแต่ว่าเรื่งมาที่ขาดไม่ได้คือท่าก็คือใจฉันท่าก็ดีศรัทธาก็ดีความไม่ความกล้าลองผิดลองครู นะหรือว่าความความรู้สึกความใฝ่ยรย้อรพนี้เนี่ ย, ยไม่แล้วก็ความเพียรใจที่สู้เนี่ยนะมันก็นเป็นสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันนะยังไถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำให้เกิดสามองค์ประกอบ์ี่ได้ครบถ้วนเนี่ยนะในการทำ ง, งานเราเนี่ยมันจะให้ทั้งความสุขและความสำเร็จ เรื่องว่างานงานก็ได้ผลนะ้คนก็เป็นสุขไอ้วนะ่สดิ์คิดว่าจาเป็นมากที่จะต้องพัฒนาสารสารอันนี้แล้วก็โยงมันให้ได้เป็นอย่างเดียวกันนะกิจกรรมที่เราทำกระบวนการอบรมเนี่ยนะก็ส่วนหนึ่งก็คือการพยายามที่มาเติมเรื่องของใจเนี่ยนะเพื่อทำให้เราเกิดท่าทีที่ เหมาะสมหรือว่าเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้นะแล้วก็เกิดไฟในการทำ ง, งานรวมทั้งไม่ใช่กับงานเดียวนะแต่กับเพื่อนร่วมงานด้วยความเมตตาความเข้าอกเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหัวใจกันกที่ต้องมีคนบางคนเก่ง น, นะวิเคราะห์ข้อมูลได้ได้ชำวัย รักษาก็ดีแต่ถ้าไม่มีฮาร์ทนะมันก็ไม่สามารถจะนำคนได้นะไม่สามารถที่จะบรรดาลใจรูปน้องได้หรืออาจจะเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วงงานได้ซ้ำดงไม่เต็ม น, นี้่ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกับพัฒนาให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าสรุปเลยมัมยขบคุณมากนะ่ะเราหวังว่า ลองกลับไปเทธแทนแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเราต้องส่งสามส่วนเนี้ยให้ลุกน้องเราด้วยนะถ้าท่านเป็นหัวหน้าที่ดีก็คือท่านเป็นผู้ปลุกเทธเทแทนฮให้กับลูกน้องท่านได้เอาเป็นว่านายยังไม่รู้จักที่ปรนะึกษานาาไม่เคยเจอท่านแล้วไม่ได้ตัดสินใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าเขาให้ลูกน้องท่านไม่ได้ ใครต้องให้ค ะ, ะคุณค่ะจนนีลาจีสอฮคะเดี๋ยวชวนทุกท่านกระค่ะก็สุขสันต์นรลอยกระทงนะประจันสวยมากเลยเมื่อตอนค่ำเนี่ยรวงกลมโตเลยให้ใจเราเนี่ยสุขสว่างนั้นเลย ใครอยากถ่ายรูปเชิญเลยค่ะจริงจริงหว่าหลงพี่แจกหนังสือวันนี้เลยไหมคะได้หนังสืออไหนอ่ะม่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ไปชั้นเพนโอ้โหหมดเวลาหนูว่าคืนนี้แหละค่ะ ส่ไา่น้ดเป้าทนก็ดบเาไปหมดตอนนี้ร้องร้แล้วแหลองอก็ได้หมดะไม่เป็นไรครับี่สเอาเยอะได้ป่ะวันนี้มันตัดการ อันนี้ ใช่แต่ว่าทีมอพูดเปนปากช่องเลยจะมีหายจะนก็มัร้เวไว้จะได้ง ไม่ม no okay. ีซ okay, ่อมเลยอะพียงกเป็นรอยกระงเดี <uros> ๋ยวนี่แหละก้องนีแหละเดี๋ยว่ตงให้กันโอเคมาเลยโอเคมาเลย อยู่ได้เลยอยู่ได้เลยนั่นก็อยู่ได้เลยหนังสือยิบได้เลยนะครับพอจะเล่นนะพอจะเล่นก่อนนะครับ เห้ผมถายใช่ไหมเดี๋ยวเอ๊ะเข้าถ่ายเข้าใจกันไ้าจเข้าใจะตอยูทวากา้ัให้ท่านนั่งถูกขงน้องคนนน้องคเด็กะเล่นนะครับแลให้เส้นนะแกันอย่างนี้ไั้ มก็มีอยู่ในุสีแดงเดี๋ยวใชใช่มี่เออสัล่หมแล้วม่เห็นเจอนี่ก่อนเอาตัวให่้เดียวเพราะว่าเป็นัวใหญวตัวจะจะต้องคายตไม่ใหญ่จะวยตัวไม่ให่เขต้องว่า ได้ครับโอานี่ยลาออกไปวอร์นแถวไหนมาขอมาเดกโอ้โหคอาเนี่ยลาโอ้วร ของับ้องอะไรก็ตงอะไรก็ต้องอะไรก็ต้องอะไรก็ต้องอะไรก็ต้องอะไรองอะรกองอะไรก็ต้อรก็ก็้องอก็ตไร้องอะไรก็ต้้องอะไรไรก็ตงอองอไรก็ต้อ้องอะไรกก็ต้องอะไรก็็ต้องอะองออ้อง ใจใจเศรษฐกิจก็มาเศรษฐกิจเขาเขาจะขาดทุนก็จะขึ้นไปงไรสารได้ไม่เียต้องคนให้คนไทยให้กับคนไทยให้กับตัวเอง สคนแล้วขูดไม่ให้ขึองแบตาไปดูที่ร้านด่าคนเดวไม่ตัันมัมีมีสีด่าด่าเอาแกงกันโดนะมันด่าเลยครับ ใช่ใช่ค่ะเส้นชื่อพรัอมีเส้นและชื่อราคาเหมือนกั